ขอกราบขารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็เราจะเล่นทำํำนดกดีพวกเราที่อยู่ที่ชะเลขวัญในขณะนี้แล้วก็ผู้ชมผู้ฟังที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการวิถีอริยธรรมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดกรกาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหิบก เป็นวันแรมสิบสี่ขาเดือนเจ็ดวันนี้ก็เป็นวันพระแต่มารู้สึกว่าประเทศไทยนี่ยังรู้สึกคอดสบายใจได้บ้างนะเพราะว่าทุกๆอาทิตย์นี้จะมีวันพระอยู่ทุกวันอย่างน้อยมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนนะว่ามีการารณรงค์ว่าวันนี้เป็นวันพระพวกเราอยู่ในสังคมในบ้านเมืองไทยทุกวันนีนะ้ถ้าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ย เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างเนี่ยแม้จะดูเมันเบลนมันมืดครึ้มนะเหมันก็ตอนนี้พอครูแล้วก็สำนักส่วนหนึ่งก็มาอยู่กันที่ชเชลขวัญที่อําเภอท้ายเมืองจังหวัดท้ายเมืองแต่ว่าชุมไม่ไท้ายเมืองท้ายเมืองท้ายเมืองนะครับพอพูดท้ายเมืองแตเป็นคงไม่ออกเสียงเมืองนะครับจะไปคนไตยไม่ได้ละนะ แตจังหว่าธนงานก็เราไปอยู่ที่นี่รู้สึกว่าฝนฟ้าจะต้อนรับเราอย่างมากเลยนในสองสามวันเนี่ยตกทั้งตกทั้งวันกลางวันอกลางวันก็บ้างแต่ว่ากลางคืนนะกลางคืนก็พอสมควรก็แต่ก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่หลังฝนฟ้ามันตกมืดครึ้มมาเนี่ยพอเรามีแดดมีอะไรก็รู้สึกว่าเออมันก็สบายขึ้นเหมืนเหมือนบรรยากาศตอนนี้นะ ฟ้เริ่มสว่างเนี่ยคือรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันมืดคลึ้มแล้วพอมันมีฟ้าสว่างเนี่ยใช้เราก็มีความหวังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันสบายมันดีมันดีน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะก็คงยังเหมือนกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะ น, นี้ที่มันก็มืดคลึ้มอยู่อยู่ทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมนมองไปทางอาณาจักรก็เหมือนจะมืดมองไปทางศาส น, นาจากกักรก็คลึ้มนะ จะค้มมืดไปยี่กว่าเก่าหรือเปล่าก็ไม่แน่แต่ในทั้งเขาในทั้งกลางความมืดคืมทั้งอาณาจักรและสาธาจักรเนี่ยถ้าเรามีตาทิพย์หรือเรามีตาปัญญาเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่ามันมีความจริงอะไรออกมาให้ดูกันอยู่ที่เราคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้มันน่าจะจริงอย่างนี้มันแค่น่าจะแน่อย่างนี้มันน่าจะถูกเนี่ยก็ก็ไม่ใช่แล้วไม่จริงแล้วไม่ถูกแล้วไม่ว่าทางอาณาจักรหรือสาธารณจักรก็ตาม มันมีเรื่องที่ดูเหมือนจะสัมพันธ์ด้วยสัมพันธ์กันและไปด้วยกันมาด้วยกันแต่ในภูมิธมาธรรมะก็คิดว่าที่สนานนทจักรยุ่งยากลำบากนี้ก็คงมาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยหรือพระครูมักจะใช้คําว่าอาวิชชาจากศาสนาจักรมาก่อนนั่นแหละก็เลยทําให้ทําให้อาณาจักรเนี้ยก็พลอยมืดคลึ้มยุ่งยากลำบากไปด้วยเราลองคิดง่ายๆในเน ขอขอพายเน้นคำต้องพูดเน้นคำอะไรเนี่ยซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเลยนะอยู่ดีดีโผลมาเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นสามารถที่จะมีธุรกิจไปรู้ว่าเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านเขาบอกว่าแค่ทองคำรับบริจาคทองคำแปดพันแปดพันกิโลเนี่ยถ้าเป็นเงินก็เป็นเงินเป็นหมื่นล้านนะแค่สร้างประตููปเนี่ยสองพันห้าร้ยล้านเนี่ยเงินเป็นไปหมื่นล้านตัวที่ไม่ คนเนเนมใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เนี่ยสามารถที่จะหลอกผู้คนก็บอกก็หลอกได้เลยหลอกคนธิตาเกตคนจนๆแต่ว่าจริงๆคนธิตาเกตเขาไม่มเดียวเงินไปถวายหลปู่เนนคำอะไรเป็นหมื่นล้านก็ต้องคนรวยคนมีสตางค์คนที่มีปัญญาที่สามารถใช้เวลาหลอกไม่นานาเท่าไหร่เนี่ยได้เป็นหมื่นล้านสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสังคมของเราที่เรียกว่าขนาดเน้นคําที่ไม่ได้มี อะไรเขาไปขุดคูประวัติว่าแค่จบการศึกษามาเรียนก็ไม่ค่อยเก่งอะไรขนาดเนี้ยยังหลอกคนได้เป็นหมื่นล้านเนี่ยแล้วคนที่เก่งกว่านี้คนที่ระดับด็อกเตอร์มากกว่านี้คนที่เชี่ยวชาญมากกว่านี้เยจะหลอกสังคมได้ขนาดไหนนี่ก็เห็ น, นว่าพื้นเนื่องจากพื้นฐานพื้นฐานดังศาสน า, า, า, าที่ไม่ชัดเจนที่ไม่สมาติทีเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลส่งไปถึงอนณานจักรส่งไปถึงสังคมที่เป็นอยู่ เราเลยต้องอยู่กันแบบทุกทรมานจนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมอะไรหลอกมีเรื่องราวออกมาเยอะแย ะ, แย ะ, แยะมากมายถ้าเราติดตามข่าวคราวเราจะได้ว่าโอ้โหในโลกมนุษย์นี่มีของหลอกอีกเยอะแยะมากมายซึ่งก็คิดว่าพบครูมาที่ภาคใต้ครั้งนี้เนี่ยก็มาเปิดความจริงออกมาอีกหลายอย่างเลย การแสดงธรรครั้งนี้ก็คงจะเป็นการสุดท้ายที่อยู่ทะเล ข, ขวัญเป็นวิถีอริยธรรมแอ้พวกเราที่ไม่ได้มาร่วมงานที่นี่ด้วยก็คงจะได้ร่วมนับฟังในความจริงที่พ่อครูจะได้เปิดเผยสู่เราฝังขอากราบในหลวงพ่อครูครับอ่วันนี้เป็นวาระของรายการวิถีอริยธรรม ซึ่งเป็นรายการที่อาตมาตั้งใจที่จะพูดถึงเรื่องธรรมะมากกว่าอื่นๆแต่ในคำว่าธรรมะเนี่ยเมื่อขยายความป็นเต็มรูปแล้วมันรวมไปทั้งหมดธรรมะเนี่ยแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งข้างนอกข้างในรวมหมดเลยทั้งมาหาเอกภพ ไปจนกระทั่งถึงพลังงานที่ละเอียดที่สุดที่เราเรียกที่มีนักวิทยาศาสตร์เอกของมหาจักรวาลค้นพบเนี่ยรู้ไหมใครนักวิทยาศาสตร์เอกของมหาจักรวาลพระพุทธเจ้าไอาน์สไตน์เน่ยยังส่วนหนึ่งยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกยังคนพบแค่นั้นแหละพระสมานพระพุทธเจ้านี่ยคนพบ สิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดละออะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเลยพลังงานที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งใหญ่กว่าพลังงานที่ไอน์สไตน์ค้นพบไปอีกนขนาดอาตมานี่นะยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าใครก็รู้อาตมาก็รู้ไม่ได้้ลงผิดแต่คนก็ประชดประชันแดกดันอาตมาไปงั้นเอง ออาตมาก็ไม่ไมาจะบอกว่าอาตมาเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะบอกเป็นโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยต้องบอกไปด้วยซ้ำไปว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ใช่อันดับสูงเท่าไรเลยออันดับแค่เจ็ดแปดก็ยังไม่ใช่เก้าก็ยังไม่ถึงเขาก็หาว่าพูดอา ต, อตมาพูดอะไรๆต่างๆนานาเอาเถอะไม่เป็นไรเขาไม่เข้าใจเขาก็ว่าไปอาตมามีสิทธิ์ที่จะพูดความจริง ซึ่งต้องอาตมาต้องรับผิดชอบในการพูดออกไปว่าจริงไม่จริงอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบถ้ามันไม่จริงก็เท็จเท็จก็เอาเลยถล่มเลยนะอาตมาเองอาตมายังพอรู้ว่านะจิตนะจิตมีพลังงานระดับไหนใน ความรู้ของไอน์สไตน์นี่เป็นความรู้ที่ได้ทฤษฎีเอกออกมาก็นักวิทยาศาสตร์เรือใอยๆก็ใช้อยู่แล้วก็มีความรู้กันทั่วทั่วซึ่งทฤษฎี ส, สูตรนั้นก็คือ e เท่ากับ e mc กำลังสอง e เท่ากับ mc กำลังสองเป็นสูตรที่โอ้โหเป็นเอาพลังงานอันจากอันนี้ e นี่คือพลังงานนี่แหละเอามาใช้ ระเบิดเถิดเทิงอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็จากต้นตอของความคิดของไอสไตล์นี่เองซึ่งเป็นพลังงานในระดับทางมหาภูตรูปเป็นพลังงานในระดับปัตถุธรรมแต่เล็กละเอียดถึงขั้นนิวเคลียสเนี่ยเล็กละเอียดละก็ได้สูตรมาอีเท่ากับเอ็มซีกำลังสอง อาตมาเองอาตมาก็เข้าใจนะอาตมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรียนหรอกเอถ้าเขาเอซีกำลังสอนเขมารู้ตอนมาบวชแล้วไม่รู้จักหนูสูตรนี้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็จริงแต่ไม่ได้เรียนอาตมาเรียนตรียมวิทยาศาสตร์เท่านั้นไม่ได้เรียนชั้นปริญญาตรีนะพอเราเรียนวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้นแม้จะเรียนหลายปีพอตกแล้วตกอีกก็มันก็ไม่เก่งเราดูดีเพรามันตก เรียนวิยาศาสตร์อยู่ตกแล้วตกอีกอย่างสองสามปีนจนกระทั่งไม่เรียนต่อเลยปิดตำราอาตมาบวชแล้วถึงมารู้จักสูตร e ทับกับ m 4กําลัง2ของอินสไตน์อาตมาก็ว่าอาตมาเข้าใจเข้าใจตามประสาอตาอตมาก็เลยต่อสูตรไอิสไตน์ตามความรู้ ตามความรู้ความเข้าใจของอาตมาเองจริงๆและไม่ใช่สูตรเล่นๆไม่ใช่เรื่องเพอเจอร์น่าเป็นเรื่องจริงก็เป็นสูตรเป็น E เท่ากับ m c กำลังสองบวก A เนี่ยอาตมาเอาสูตรนี้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแพทย์าศาสตร์จุฬาที่ทันตแพทย์โดยตั้งชื่อ รุ่นนั้นยังมีผู้ที่ปเปเรียนแพทย์รุ่นนั้นยังเคยมาทักทวงอาตมาอยู่ไม่ได้ทักทวงว่ามันผิดมันถูกอะไรนะแต่ทักทวงถือทักทายทักทายว่าอาตมาเทเรื่องนี้เขาจำได้อาตมาตั้งชื่ อ, อวัดเทศพ น, นั้นด้วยจะเทศเรื่องแพทยศาสตร์เป็นในรชานวิชาโอโหมากันตึมเลย นักศึกษาแพทย์นักศึกษาวิศวะมากันตึมเลยเต็มห้องเลยแล้วอาจมาก็เทศเรื่องนี้แหละ E เท่ากับ MC 2สองบวก A นี่แหละ A คำนี้อาจมาหมายถึง abstract abstract เป็นนามธรรมเป็นอรูปเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้กันยังต้องค้นหาค้นคว้ากันแต่ผู้รู้ก็จะรู้ว่า เป็นนามาทำตัวนี้หรืออารูปอันนี้เนี่ยถ้าคาว่าอารูปนี่มันมันจะรวมความถึงว่าสิ่งที่ถูกรู้ได้อย่างละเอียดรูปมันก็อย่าเพราะอารูปนี่คือจะเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้แล้วก็ใช้พยัญชนะว่าอารูปมันไม่ใช่รูปอ่ะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้แม้จะเป็นทางสสารทางวัตถุธรรมก็ตามก็เป็นอารูปแล้วอย่างแกสินเดเร่เป็นอารูปละ ใช่ไหมแกสัต่างแสงแสงต่า ง, ง, ส ง, ส ง, างอะไรพวกนี้เป็นอารูปแล้วมันไม่มีตัวตนแต่วิทยาศาสตร์จับได้เอามาใช้งานได้มีเครื่องมือรักษาเก็บอะไรได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นอ่าเป็นอารูปและที่นึกคําว่าอารูปเนี่มันละเอียดไปถึงนามธรรมานามธรรมามันยิ่งเป็นอารูปแน่นอนเลยแต่มันมีนัยยะนิยามที่ชัดกว่านนั้นก็ต้องเรียว่านามธรรมานอกจากจะเป็นอารูปแล้ว ยังเป็นาธาตรู้นามธรรมยังเป็นชีวะนามธรรมเป็นชีวะเป็นาธาตรู้ของสัตว์โลกเป็นจิตนิยามเป็นจิตนิยามสูงกว่าพีชนิยามพีชนิยามก็เป็นนามธรรมนะพีชนิยามเนี่เป็นพลังงานในระดับชีวะแต่อยู่ในระดับชีวะของพีชะคือพืช พลังงานนั้นยังไม่ข้ามเขตมาเป็นชีวะในระดับมีเวทนาหรือมีวิญญาณถือว่ามีวิญญาณนี่เป็นความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เอกของมหาจักรวาลคือพระพุทธเจ้าสูงกว่าไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สูงกว่าไอน์สไตน์อาตมาเนี่ยขอภัยรเรืไม่ก็ไม่ได้เก่งเท่าไอน์สไตน์แบบทางสสารทางมหาพุทธรูก ไอ้ตายต เ, ขา เ, ขาเขาเาเชี่ยวชาญแล้วเขารู้อาตมา ก, ก็พอรู้แต่มันไม่ลึกไม่ครบสมบูรณ์เหมือนไอ้ตายตก็รู้ตามภาษาอาตมายิ่งตอนนี้อาตมาควักออกมาจริงๆขออภัยอยาจจหา่าพูดคุยโมโ อ, อดอะไรความรู้เดิมมีอาตมามีแต่ว่าอาตมาควักไม่ขึ้นยังเอาไม่ใช้ไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่ามันไม่จำเป็นอาตมาไม่จำเป็นจะต้องเอามาใช้ตอนนี้ เอาแต่แค่นามมาทำที่อาตมามัเน้นเนี่ยมาเน้นา น, น, า น, น, นามมาทำเป็นหลักส่วนนี้เล่นนามมาทำาไม่ได้เน้นรูปปรธรรมทเท่าไหร่นะเน้นนามมาทำซึ่งลึกซึ่งจะต้องเอาเรื่องนี้ให้ให้ลึกถึงที่สุดเพราะคนถึงเข้าใจอาตมายาพร้อมเป็นนามมาทำเป็นอารูปแล้วก็ต้องเป็นนามมาทำด้วยคือมีอาการของวิญญาณและเปรตนา วิญญาณนี่คือมีสภาวะของเวทนาคือความรู้สึกและรวมแล้วเรียกว่าวิญญาณคือธาตุของนามธรรมาเต็มๆท่านเรียกว่าวิญญาณนี่ว่าวิญญาณ อ, อย่างน้อยก็มีเวทนาสัญญาสังขารเป็นเกตสิกสามของวิญญาณซึ่งไม่ใช่ง่ายนะอาตมาก็าพยายามแจ้แจงอาตมาเองอาตมาเนี่ยพอเริ่มต้นศึกษาธรรมะ และก็อบอกจริงความจริงไปแล้วว่าจะมาบรรลุธรรมแล้วก็เขียนหนังสือออกมาเล่มแรกเลยคือคนคืออะไรทำไมสำคัญนักนี่ยนะก็สารภาพบอกความจริงอะไรไปภาษาซื่อไม่ได้มีเลขเลียมไม่ได้มีเลขกลดไม่ได้มีไซคลอจีอะไรเลยมันเป็นเรื่องซื่อสัตย์พูดออกไปเขียนออกไปบรรยายออกไปตามจริงก็เป็นการแจกแจงวิญญาณออกมา แจกออกมาจะมันเป็นเจตสิกสามเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็แจกความหมายของเวทนาสัญญาสังขารออกไปตามภาษาภาษาลูกทุ่งภาษาง่ายๆภาษาอไม่เป็นวิชาการซึ่งมันก็อาจจะไปละลาบระลวงผิดๆเพี้ยนกําหนดหมายของนักวิชาการเขาบ้างนะแต่อาตมาก็มั่นใจว่าเป็นการสื่อ สื่อแสดงสื่อแจ้งสื่อบอกให้รู้จักนามธรรมนามธรรมที่เป็นชีวะในระดับจิตนิยมนี่แหละแต่ตอนนั้นยังไม่มีความรู้ทางภาษาทางนิรุติปฏิพานอะไรมากเท่าไรเป็นเล่มแรกที่ปฏิบัติธรรมโออัตมา ก, ก็มันก็มีความบันดาลใจถึงเขียนขึ้นมาเป็นหนังสือเล่มเล่มแรกของชีวิตอัตมาด้วยนะ คนคืออะไรทํำไมสําคัญนักเนี่ยอาตมาเขียนหนังสือมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุสิบก็ขวบแล้วเขียนเขียนหนังสือเล่มเขียนนาวนิยายเขียนอะไรแต่ไรออกหนังสือเล่มเล่นๆ เ, เอากระดาษฟุดสแคปมาเขียนลอกลายมือก็แย่ๆ แ, แต่ก็ลอกแลแ้วแจกเพื่อนอ่านเขียนแต่งออกเป็นนิตยสารก็ทําตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดตั้งแต่ เด็กเนี่ยมันก็ทำมาตามประษาของจะว่ามันเป็นอะไรของเราเองมันเป็นทเลน์ของตัวเองไม่ใช่ทเลนนะทาเลนของตัวเองมันเป็นอะไรของเป็นสิ่งที่มีในตัวเองมาแต่เดิมมันก็ทำไปตามปราษาแสดงออกไปทั้งแต่น น, นแต่เขาเขียนมาจนกระทั่งมาโตมาเข้ามาเรียนต่อเข้ามาใน กรุงเทพมันทำงานทําการรู้จักนักเขียนนักประพันธ์คนนั้นคนนี้อย่างนู้นอย่างนี้ก็ทํางานทั้งด้านนี้อีกเพิ่มเติมเขียนลงหนังสือพิมพ์โ น, น่นนี่อะไรก็ขเขียนไปจนอายุที่อาตมาเขียนเล่มนั้นมันพศหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่อาตมาอายุสามสิบห้านะสามสิบสี่สามสิบห้าแล้วเขียนหนังสือเล่มนั้นอ่าเป็นเล่มเป็นรววเป็นเล่มเลยเป็นเขียนเป็นเล่มเลยจบ เรื่องจบเล่มเลยแล้วเป็นเรื่องธรรมะธรรมะลึกด้วยคนคืออะไรทําไมสักขันนักเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังพิมพ์อยู่นี่ก็จีนเขาไปเอามาพิมพ์เขาศรัทธายังไงไม่รู้พิมพ์มาหลายร้อยละคราวนี้ก็พิมพ์มาอีกนี่ส่งมาให้อีกเนี่ยเป็นพันเล่มอคนคืออะไรด้วยแล้วก็สมาธิพุทธด้วยนี่เขามีกํากับเลยนะหนังสือพวกนี้เนี่ยห้ามขายมีแต่แจกให้แจกลูกเดียวก็เลยเอามาแจกเนี่ยเป็นพันๆเล่ม ไม่ไม้เล่มเล็กนปกแข็งหนาขนาดนี้นะปึ้งขนาดนี้สามร้อยสี่ร้อยหน้ากว่าที่พันพันหน้ายังไงมันจำไม่ได้ละนะอัตมาเขียนด้วยความมั่นใจเนี่ยไม่ได้เขียนขนองเขียนด้วยความมั่นใจใครอ่านจะรู้โดยสัมผัสแรกๆตั้งแต่ต้นเขียน คำกำชับคำชาตตะต้นไปเลยถ้าอ่านหนังสืออลไรนั้นดีๆโดยปัญญาตั้งใจอ่านดีๆก็จะเข้าใจเห็นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยในชีวิตไม่ได้ทำเล่นเล่นโอ้โหทำอย่างตั้งใจและรับผิดชอบมั่นใจว่าไม่ได้มีอะไรที่จะผิดไม่ได้ซื้อสิ่งที่ผิดหรือเลวร้ายลงไปให้แกสังคมซึ่งเป็นการแจกแจงเจตสิกสามเป็นนามธรรมเป็นแอบ t เป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นพลังงานที่ลึกซึ้งซับซ้อ น, นถ้าจะใช้เอตัวนี้อีกคําความหมายหนึ่งก็คือแอบส์ลูดมันเป็นความสูงสุด็นปรมัตธรรมปรมัตธรรมคือแอบส์ลูดเป็นเรื่องที่สูงสุดเป็นเรื่องสูงสุดทีนี้ถ้าผู้ใดที่ศึกษาแล้วก็สามารถที่จะหยิบเอาสภาวะแล้วมา ใช้ค่าของสภาวะต่างๆมันมีค่าขอามันใช่าค่าอย่างต้นอย่างกลางอย่างปลายหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปตามระดับก็หยิบค่าเหล่านั้นมาใช้ได้ค่าของนามมาทำเนี่ยค่าของจิเกตสิกต่างๆมันมีค่ามีดิกรีของมันมีน้ำหนักของมันมีระดับตำ่ำระดับสูงของมันมีเนื้อหาของมัน มันพวกที่สามารถยังถึงความจริงพวกนี้ก็หยิบความจริงพวกนี้มาชี้มาบอกกันและเอามาใช้ได้ตามภูมิตามฐาน ะ, ะซึ่งเป็นเรื่องที่จะเอามาอธิบายมันเป็นเป็นนามธรรมามันเป็นอารูปแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถรู้ร่วมได้มากรู้น้อยบัญญัติภาษาที่ตั้งชื่อเรียกสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่มีใครตั้ง หรือที่ตั้งไว้แล้วบ้างก็ไม่ง่ายที่จะรู้จักสภาวะจริงของมันก็จึงเป็นเรื่องยากแต่ถึงยากอย่างไรความเป็นมนุษย์มาถึงยุคนี้แล้วฉลาดทางวัตถุธรรมก็รู้กันเป็นโอ้โหเป็นอิทธิอิทธิอภิหารอะไรไปเยอะแยะเลยนะทุกวันนี้ในเรื่องทางพลังงานทางวัตถุอ่า มันก็ไปได้กันอย่างไกลแล้วนามธรรมาก็มีพลังงานของนามธรรมาซึ่งยิ่งใหญ่กว่าวัตถุด้วยถ้าจะพูดถึงความจริงนั้นแต่นคนที่จะเข้าไปถึงนามธรรมานั้นแล้วก็จะใช้นามธรรมานั้นมาเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์มันจึงยากแต่ผู้ที่ทำได้ก็ใช้ได้เป็นประโยชน์ได้นะ อาตมาเกิดังเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าในมหาจักรวาลนี้มันมีทั้งสสารและพลังงานและที่สุดพลังงานนั้นเป็นพลังงานที่จับตัวเข้าเรียกว่าสังขารจับตัวกันเข้าหรือเรียกว่ากายหรือกายโยก็ได้จับตัวประชุมกันเข้าอาตมาเอาคำว่ากายมาบรรยายเป็นธรรมะกันทุกวันนี้เนี่ย ขยายเพื่อจะขยายให้เข้าใจให้ผู้ที่สนใจทราบซึ่งจริ ง, รงๆน่าจะติดตามนะคาว่ากายมาจากภาษาบาลีเขาแล้วก็ออกมาใช้ในเป็นกายเป็นภาษาไทยนะกลายกลายเป็นภาษาไทยไปแล้วแต่ความหมายคําว่ากายะหรือกายเรียกสะกดไปเลยกายหรือกายะในบาลีมรนจะกด นี่แจกไปพังไปเป็นกายโยกายาอะไรอะไรไปอีกเยอะแยะเนี่ยความหมายจริงมันคืออะไรอตาตมาก็พยายามไปตามพยัญชนะที่โบราณอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านแปลไว้ในพจนานุกรมเท่าที่อาตมาพอคนได้ mm hmm. ก็มาได้ความว่ามันแปลว่าท่านแปลกันนะที่อตาตมาเข้าใจทุกคำแห่ะหรือจะขยายให้ฟัง วันนี้เจาะละเอียดถึงเรื่องนี้กันบ้างก็จะพาดพิงถึงเกี่ยวโยงไปถึงสภาพของกายของประเทศกายของสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยกายของสังคมไทยมันเป็นสักกายะหรือเป็นนิริยะกายะก็ยังไม่รู้เลย ก็่ะมีระยะไหมอปายะก็ได้อปายกายอาตมาขอภัยนะอาตมาไม่เก่งภาษาบาลีอาตมาใช้ปฏิพานพูดไปจะผิด จ, จะถูกยังไงก็ขอภัยท่านป ร, รียนทั้งหลายแหลเนี่มันเร็วสดๆแต่คำว่าสักกายะนะ่ะอาตมาเห็นในพจนานุกรมของบัณีเขาคำนี้มันมีสักกายเนี่ย ท่านแปลไว้ผู้รู้ท่านแปลไว้อาตมาก็เห็นทันทีว่าเออท่านแปลไวน้นี่ท่านก็ยังเข้าใจค า, ากายะยังไม่ถูกขออภัยอาตมายืนยันว่ามันไม่ถูกคือท่านแปลว่าสัขกขากายะเนี่ยสัก ข, ขานี่แปลว่าสวรรค์สัก ข, ขากายะท่านแปลว่าการประชุมบนสวรรค์ท่านแปลว่าการประชุมบนสวรวาารค์ คือท่านไปแปลเอาอะไรอันนึงไปตั้งอยู่บนสถานที่กายะสัก ข, ขะกายะเนี่ยคือองค์ประชุมของความเป็นสวรรค์ถ้าจะแปลโดยพยัญชนะที่อาตมามีสภาวะความรู้ของอาตมาสัก ข, ขะนี่คือสวรรค์กายคือองค์ประชุมกายะเอาคํานี้ก่อนกายะอาตมาไปคนพูดไปก่อนแล้วแต่มาเลยเถิดมาถึงสัก ข, ขะกายะกายะท่านแปลว่า กลุ่มกลุ่มหรือกองภาษาไทยนะก็เข้าใจเอาเองใครมีภูมิปัญญาเท่าไหร่ก็เข้าใจดูกาย่าเน้นแปลว่ากลุ่มหรือกองหรือขยายความก็จํานวนที่รวมกันจํานวนที่รวมกันกลุ่มหรือกองหรือจํานวนที่รวมกันหรือการรวมเข้าด้วยกัน มีอะไรต่างๆทั้งหมดที in ่รวมเข้าด้วยกันทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ากายะหรือองค์ประชุมอันนี้อาตมาจะใช่บ่อยกายะแปลว่าองค์ประชุมจะใช้บ่อยคือองค์ประชุมของทั้งหลายแหละมันรวมกันประชุมกันอยู่ทั้งหมดนี่องทั้งหมดองนะทั้งหมดหน่วยทั้งหมดบริบทนี้เลยอ่ารวมทั้งหมดนะทั้งบริบทนี้เลยอ่ะเรียกว่า กายไม่ได้รวมทั้งมหาจักรวาล น, นะท่าจะขยายความว่าถ้ามหาจักรวาลก็คือต้องใช้บริบทคําว่ามหาจักรวาลก็รวมทั้งหมดนั่นแหละคือกายของมหาจักรวาลนะมีอะไรบ้างต้องนับทั้งรูปปธรรมและนามธรรมนับทั้งสารและพลังงานนับทั้งวิญญาณด้วยรวมอยู่ในนั้นอย่าไปตัดออกนะคาว่ากายตัดนามธรรมไม่ได้ ตัดรูปธรรมยังได้อตัดรูปธรรมได้แต่อย่าตัดนามธมาทำตัดรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นการตัดรูปธรรมได้นี่แหละการศึกษาทวาริทึกก่อนในทางศาสนานี่จะศึกษาเรื่องนามมาทำหรือจิตเป็นหลักใช่ไหมปรมาจา์ก็เอาจิตเป็นหลักเขาก็เลยตัดรูปธรรม ท, ทิ้งหมดเลยไปเอาแต่นามมารมข้างในเลยเลยตัดกายเป็นเรื่องเปลือก เพื่อนกายก็เลยเพี้ยนกายไม่ได้หมายถึงเรื่องเปลือกเรื่องรวมหมดฟังดีๆตั้งใจฟังหน่อยมันจะทับซ้อนลึกซึ้งอยู่กายมันหมายถึงรวมหมดก็นี่ไงท่านก็บอกจํานวนที่รวมกันการรวมเข้าด้วยกันถ้านแปล ถ, ปถูกหมดหราแปลจะไมถูกหมดองค์ประชุมหมวดหมู่ภายในตัวตนหมวดหมู่ภายในตัวตนท่าน เอียงมาข้างนามาทำเอียงมาแค่ข้างข้างในด้วยอิสระทิ้งข้างนอกแล้วหมวดหมู่ภายในตัวตนน่ะคือการรวมเข้ากันของธาตุต่างๆมากมายหลากหลายการรวมเข้ากันของธาตุต่างๆมากมายหลากหลายแม้แต่หมายถึงหมวดแห่งเจตสิกธรรมคือเวทนาสัญญาสังขาร อั น, นี้อธิบายชัดว่ากายอย่าทิ้งความเป็นนามธรรมแม้เวทนาสัญญาสังขารก็คือกายอย่าทิ้งอแตมาย้คำคํานี้แต่ท่านทิ้งนามธรรมขออภัยท่านทิ้งรูปประธรรมซึ่งจะต้องมีอุปาทายะอุปาทายะรูปมหาพุทธรูปแล้วก็จะต้อง อากมหาภูตรูปเป็นเหตุปัจจัยเมื่อสัมผัสแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาเป็นอุปาทายรูปอุปาทายาแปล ว, ว่าการต่อเนื่องเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เลื่อนไหลเข้ามาไม่ได้ตัดขาดทิ้งนะไม่ได้ตัดมหาภูตรูปทิ้งนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปที่ท่านเรียกว่าในอภิธรรมท่านแยกมาเป็นอุปาทายรูปมียี่สิบสี่ มหาพุทธรูปสี่เป็นทั้งหมดมันมียี่สิบปดมหาพุทธรูปสี่มาเป็นอุ ป, ปาทายรูปซะยี่สิบสี่เป็นนามธรรมทั้งหมดและย้ำอีกอย่าตัดมหาพุทธรูปทิง้งต้องต่อเพราะฉะนั้นพีนพ่จ่าเผลอไผลกันก็เลยพอมาเน้นนามธรรมก็เผลอตัดรูปทิง้ง เลยกลายเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ครบบริบูรณ์ในทุกวันนี้ศาสนาพุทธคือเอาแต่ในเอาแต่นามมารมเดินนั่งพะวงเกิดจิตเจตสิกรูปนิพพานอะไรก็บไปอยู่แต่ข้างในพบข้างนอกจนกระทั่งไม่เอาใจใส่เลยถึงขนาดว่าจะเรียนรู้สมาธิจะเรียนรู้ฌานจะเรียนรู้การบรรลุนิพพานอย่าให้จิตออกนอกตัวอย่าให้ไปรับรู้นอกตัว ให้อยู่ข้างในทั้งหมดเลยนี่คือความผิดเพี้ยนไปอย่างเด็ดขาดผิดไปอย่างสมบูรณ์แบบจะเรียกว่าผิดไปอย่างแอบส์ลูตก็ยังได้เลย <c oughs> มันผิดไปเต็มรูปเลยมันก็เลยแน่นอนมันผิดไปขึ้นขนาดนี้แล้วมันจะไปถูกได้ยังไงนาองสารมากเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อไปหลงอย่างนี้ไปเข้าไปอยู่ข้างในเสียก็เลยไม่ไปสัมพันธ์กับข้างนอกไม่เอาภาระข้างนอกทิ้งข้างนอกไปเหมือนกับในชีวิตของคนแต่ละคนผู้บรรลุสูงสุดแล้วไม่เกี่ยวกับข้างนอกอย่าไปยุ่กับข้างนอกเขาอยู่แต่ข้างในนี่คือความขาดพร่องของศาสนาพุทธความเป็นศาสนาพุทธนั้นมาแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสสารและพลังงาน ทั้งนามธรรมาเต็มรูปเลยไม่ขาดกันสัมพันธ์กันเป็นเรเลทีฟเป็นเรレーショอย่างสมบูรณ์แบบเลยนี่คือสมพัฒนภาพที่พระพุทธเจ้ากรัสรู้เหนือชั้นกว่าไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ก็ประ ท, ทุษจักรวาลตรัสรู้ก็ยังไม่ถึงนามธรรมปาณนั้น ก็รู้มีความรู้ยิ่งไอน์สไตน์ก็รู้จักทฤษฎีของสัมพัตภาพหรือทฤษฎีของเรลชั่นอันเดียวกันปฏิกิรุบาสุหรืออิทธิปัจจยตาเหมือนกันกับของของพระเจ้าแต่อยู่ในกรอบของวัตถุเท่านั้นของไอน์สไตน์ยังไม่เข้าถึ่งนามมาทำทีเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าไอน์สไตน์ไม่มีความรู้ทางนามมาทำมี พูดไปอีกไปเป็นเรื่องอกจินไตอีกหลายอย่างก็เอาพูดเข้าไปแล้วกันนิดๆหน่อยๆอย่าให้อัตมาออกไปลึกมากกันนั้นเลยเพราะาอัตมาบางทีก็อธิบายไปแล้วก็เกรงใจพวกเราอ่ะมันยากมันลึกลับก็พูดบางยังไงไงพูดมาแล้วมันพลาดพิงอไอานสไตนี่อัตมาบอกแล้วว่าเป็นโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นความรู้ทางด้านนามธรรมาไม่ใช่ไม่มี เขาถึงรู้จักพุทธศาสนาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาจะเลือกศาสนาแล้วแต่เขาเองเขาถูกกําหนดให้ไปเป็นอยู่อเขาก็เลยนับถือศาสนานั้นอยู่แต่ถึงอย่างงั้นเขาก็เป็นอิสระของเขาเขาจะนับถืออะไรสุดท้ายเขาก็บอกสารภาพอยู่แล้วว่าเขานับถือพุทธแต่เขาไม่ได้ ป, ปฏิญาณเป็นพุทธก็ไม่ได้เ ข, าข้ากลุ่มมับพุทธแต่เขาก็ใช้อาศัยพุทธเป็นตัวอาศัยในชีวิตอ่าเป็น เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาอย่างนี้เป็นต้นเน อ, อ็นคนไอน์สไตน์เมื่อไอน์สไตน์แสดงอะไรออกมาอาตมาสัมผัสก็พอเข้าใจกันว่าอ๋อภูมิธรรมขนาดนี้สิ่งที่เป็นจริงขนาดนี้มันคือขนาดไหนอนตาตมาก็ต้องพอเข้าใจก็ถึงกล้าพูดว่าเป็นอย่างนี้อตามตมาต้รับผิดชอบคําพูดในยะคลายกันที่อตาตมาพูดว่าในหลวงเรานี่เป็นพระโพธิสัตว์ อาตมาก็ต้องใช้ความรู้ของอาตมาเราพูดศาสารณชนก็ต้องรับผิดชอบคําพูดของตนเองไม่ใช่ว่าพูดออกไปแล้วไม่รับผิดชอบอาตมาไม่ใหญ่เท่าไหร่อาตมา ก, ก็ต้องรับผิดชอบแต่คนที่ใหญ่กว่าอาตมาเนี่ยรับผิดชอบประเทศชาติมากอาตมาไม่รับมารับผิดชอบคําพูดตัวเองเนี่ยบาปมากกว่าอาตมาเยอะนะเป็นบาปมากนะเ ร, รายมาก เร็วรายมากกวอาตมาบางใครไม่รับผิดชอบกับผู้ตนเองดีไม่ดีพูดทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิดหรือโกหกด้วยอนุญากฏตรัสแน้ว่าคนที่โกหกทั้งทั้งที่รู้เรว่างวัตประชันน์มุสาวาเนี่ยทำผิดอื่นๆใดไม่ได้ไม่มีคนที่สามารถโกหกทั้งทั้งที่รู้ว่าเอี่โกหกแล้วโกหกต่อสาธารณชน หรือโกหกใจใหญ่ๆยังที่ผู้บริหารบ้านเมืองนี่โกหกออกไปทั้งระดับประเทศนี่นะไม่มีอะไรจะชัว่วกว่านี้อีกแล้วคนอไม่มีอะไรจะชัว่วกว่านี้แร้วคนโกหกได้ขนาดนี้นอัตมาใช้คําว่าชั่วนี่คือคําว่าบาปชั่วนี้ถ้าเป็นหน้ามารำเป็นประมาทก็คือบาปเป็นกิเลสส่วนตัวของเขาได้ทําหนักเป็นกิเลสหนัก อาตมาอธิบายไม่เก่งกิเลสหนักมันจะมีค่ามีมีน้ำหนักที่จะต้องทุกขทรมาร์ทจะอะไรขลาดในอาตมาอธิบายไม่ออกไม่เก่งอธิบายไม่เป็นแต่บอกได้ว่าอย่าทำกันเลยทำแล้วมันเป็นของจริงที่คุณต้องรับว่าเป็นของคุณคุณทำแล้วว่าคุณจะเอาไปไม่รับไม่เอาไม่ใช่ชันทาไม่ใช่ของฉันพูดให้ตายไงมันก็ไม่เลี่ยงเลี่ยงไม่ออกกรรมเป็นอันทำ ใครทําของใครก็ของคนนั้นกรรมสกัดเพราะอาตมาก็เตือนนะขอเตือนอย่าทําเลยชั่วแม้นม่น้อยพระเจ้า ก, ก็ตรัสท่านตรัก็เตือนนะเพราะคําว่ากายคํานี้เนี่ยมันหมายถึงประเทศชาติด้วยมันเป็นองค์รวมของทั้งประเทศชาติด้วยมันหมายถึงจักรวาล น, น่นแน่ถ้าคุณสามารถมีบา ร, รมีมีภูมิมาทำที่จะไปเอาอันนั้นมาเกี่ยวไป เป็นบริบทของคุณเป็นคอนเท็กซ์ของคุณคุณสามารถรวบรวมมันนี้ปีกรอบคอนเท็กซ์ของคุณได้คุณก็เอาสิถ้าคุณมีบารมีคุณก็ทำงานขนาดนั้นอาตมาไม่บังอาจถึงขนาดนั้นอาตมาก็ทำตามประสาอาตมาเนี่ยอาตมาขยายออกมาถึงขั้นประเทศนะถึงขั้นประเทศไทยไม่บังอาจออกไปนอกประเทศเลยเพราะวาอาตมามีคอนเท็กซ์อยู่ในระดับของ ประเทศเท่นั้นผลงานการเมืองที่เป็นงานประเทศงานสังคมที่เป็นงานประเทศงานเศรษฐกิจที่เป็นงานประเทศอาตมาได้ขยายพฤติกรรมของอาตมาเข้ามาร่วมนะซึ่งมีเจตนาดีที่จะดูแลหรือว่าทำงานไม่ถึงขั้นดูแลบริหารแต่ดูแลตามประสาอาตามาที่รับผิดชอบเพราะเศรษฐกิจของประเทศเราจะดาเนินเรื่องเศรษฐกิจอย่างไรแค่ไหน กับคนกลุ่มที่เรารับผิดชอบอยู่ได้าชาวโศกเป็นต้นอาตมา ก, ก็รับผิดชอบแล้วก็ดูแลชาวโศกนอกข้อก็ว่าไปอัตมา ก, ก็ไปควบคุมอะไรไม่ได้เพราะอาตมานั้นถืออิสระเสรีภาพเพราะฉะนั้นคนเขานอกข้อเขาก็ไปทำของเขาแต่ใครเป็นชาวโศกในข้ออาตมา ก, ก็ยินดีที่จะร่วมม้ร่วมมือทากันยาง ที่ได้ขยายผลทางเศรษฐกิจออกไปถึงขั้นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมหรือขั้นในแนวลึกเป็นสาธารณภคีอัตมาทมได้มีหลักฐานยืนยันว่าทำได้เป็นชุมชนสังคมมนุษย์ชาติมีระบบมีวิธีการดำเนินชีวิตและมีการประพฤตมีการกระทำอยู่ ทุกวันนี้ก็ยังดําเนินอยู่เป็นเจรณะเป็นการดําเนินเป็นการประพฤติจริงอยู่ในสังคมมนุษย์มีกลุ่มมูมัน่กำลังเนินกันอยู่จริงนี่นั่งนงอยู่นี่พวกเราเรานี่พวกชาวโสมเยอะแยะจากชุมชนนั้นชุมชนนี้หลายชุมชนแม้ตอนนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือชุมชนชะเลขวัญก็ดําเนินในระบบบุญนิยมหรือสาธารณโภคีให้ของส่วนกลาง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของรัฐศาสตร์เป็นกรดการบริหารสังคมแต่ไม่ใช่การบริหารสังคมระดับประเทศที่อาตมาทำอยูเย่เป็นการบริหารสังคมระดับชุมชนซึ่งสามารถที่จะมีมีชุมชนถึงขั้นนิตินายหรือว่าโตพอที่จะชื่อว่าชุมชนหลักของประเทศได้เป็นนิตินายคือ ทางประเทศก็รับรองว่านี่คือหมู่บ้านเป็นชุมชนที่ขั้นหมู่บ้านก็มีแล้วมีเจ้าหน้าที่ทางรัฐเป็นตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบอตของหมู่บ้านหมู่บ้านราชธานีเป็นต้นหมู่บ้านที่สาโสเป็นต้นเขามีแล้วก็ดำเนินอยู่ในวิถีชีวิตของเศรษฐกิจหรือเศรษฐาศาสตร์บุญนิยมสาธารณภคีหรือมีรัฐศาสตร์ มีวิถีทางการเมืองก็เป็นองค์กายโยของการเมืองของบุญนิยมชาวสงฆมีแนวคิดแนวประพฤติแนวปฏิบัติการเมืองอย่างบุญนิยมเป็นอย่างไรคุณก็จะต้องมาศึกษาประบุญนิยมการเมืองบุญนิยมเป็นอย่างไรพานิย์บุญนิยมเราก็ทำอยู่เศรษฐกิจธุรกิจบุญนิยมเราก็ทำอยู่ กิจกรรมบุญนิยมเราก็ทําอยู่สื่อสารบุญนิยมเราก็ทําอยู่โดยเฉพาะการเงินบุญนิยมเรื่องการเงินบุญนิยมนี่ยิ่งใหญ่มากทุกวันนี้เราก็ทําพอได้พอทูตไทยพอเป็นไปเป็นหลักวิชาการจริงๆแต่อาตามาไม่ใช่นักวิชาการและยังไม่มีนักวิชาการใดๆ มาเรียบเรียงจัดระบบระเบียบให้เป็นหลักวิชาการเป็นวิทยานิพน์อะไรขึ้นมาให้ใช้สอยหรือศึกษาก็เท่านั้นเองอาตมาไม่ใช่นักวิชาการอาตมาทําให้เป็นเพราะผู้ที่ท่านเรียนโครงสร้างเรียนวิธีการเรียนอะไรมาเรียบเรียงมาจัดสรรได้ท่านก็จะมาจัดสรรอาตมามั่นใจว่าท่านมัจะมาจัดสรรวันใดวันหนึ่งอ่ะเพราะ ทฤษฎีนี้หลักการนี้มันไม่ใช่หลักการลอยลมมันไม่ใช่ทฤษฎีเพ้อฝันเหมือนของเทอร์มัสโมเทอร์มัสโมเขียนยูโทเปียเพ้อฝันสังคมยูตโตเปียแต่ตะมนี้ไม่ได้เพ้อฝันสังคมยูโทเปียของเรามีเป็นแล้วเป็นละเอียดกว่ายูโทเปียของเทอร์มัสโมลึกกว่าลึกกว่าของเทอร์มัสโม ในลักษณะเศรษฐกิจสาธรารัโอเคี้เป็นต้นอย่างบุญนิยมนี้เป็นต้นที่พวเราเป็นความจริงแล้วเธอมัสมหวอยู่ในจินตนาการเท่านั้นยังไม่มีใครปฏิบัติประพืิได้แต่ตะมานำมาประพืดกับมนุษย์แล้วเป็นไปได้แล้วเพราะคำว่ากายโยจึ่กกายกายกายยเนี่ยไม่ใช่โครงร่างไม่ใช่เปลือก แม่จะมาจะขยายอีกนานถ้ากี่ปีกี่เดือนเนาะคำว่ากายคำเดียวเนี่ย่อนตายเนี่จะขยายเข้าใจกันชัดดีไหมเนี่ยเอาเเอาเอาอย่างดังท่านจะพูดัวกลับเสียงอ้าวเสียงของอ้าวปิดได้ไงปิดไม่ได้ไม่ยังไงอ้าวไมโครโฟนนี้เอาไปเอามากลายเป็นดุนกลายเป็นดุนไปแล้วไมโครโฟน อ่าเป็นดุนฟื้นไปแล้วมันไม่ทำงานเมื่อกี้ก็พูดได้แต่ตอนนี้มันทำไมมันไม่ไปอ่าอ๋อลองดูซิห้ ท, ทิเชียนเขาดูนิดหน่อยอ่าไม่ขึ้นฮะไม่ไม่ไม่ขึ้นอ่ า, ไ ม, ไ, ม ไ, มอาไม่ขึ้นแล้วก็เอาออันนี้เป็นพูดแก้ขัดก็แก้ขัดก่อนอ่าคุณจะพูดก้าวไปยี่มาคกัน ประกาศจังวัด น, นะครับเขาก็ความจริงลองลองลองเช็คดูความเข้าใจที่พรอครูในเรื่องเรื่องเรื่องกายเนี่ยว่าท่าทีนั่งเนี่ยบอกคนใต้สายปัญญาเนี่ยน ะ, ะว่าคำว่ากายในพวกเราเข้าใจมากแค่ไหนนะสมมติว่ามีตัวให้เลือกสามข้อด้วยกันเนี่ยกายคือร่างกายนะกอกายคือร่างกายใช่ไหมขอกายคือร่างกายและจิตใจ ค็กายคือเรื่องของจิตใจล้วนๆเราดูจะว่าเราจะเลือกคําตอบข้อไหนก็คือกายคือร่างกายข็กายคือร่างกายและจิตใจค็คือจิตใจล้วนๆเราใครใครคิดว่าเป็นข้อก็ยกมือขึ้นกายคือร่างกายใครคือใครคิดว่ากายคือร่างกายและจิตใจ ครับถูกต้องถูกต้องทั้งหมดเลยนะแล้วถึงที่กายจะขาดจากร่างกายไม่ได้และแน่นอนคําว่ากายนี้ต้องเป็นนามธทัมต้องเป็นจิตใจแต่ขาดร่างกายไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องข้อขอเป็นแต่รูปร่างรูปกายอย่างคนไทยนี่เขาใจว่าอ่าร่างกายไม่เข้าใจว่าโครงนอกทุกในภาษาไทย ร่างกายหปาว่าโครงนอกถูกแต่คำว่ากายคำนี้ถ้าจะไปอธิบายแล้วร่างกายนะั่นคือโครงนอกแต่ถ้า้าบอกว่ากายไปเรียกอย่างน้อยเรียกว่ารูปประกายเนี่ยไม่ได้หมายถึงร่างกายเท่านั้นนะรูปประกายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคือกายร่างกายอย่างเดียวนะ รูปคือสิ่งที่ถูกรู้หูกับเสียงเสียงกระทบหูก็เรียกว่ารูปจมูกกระทบกลิ่นก็เรียกว่ารูปมันกระทบมันถูกรู้เรียกว่ารูปสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปรสกระทบลิ้นแล้ก็รู้ได้ก็เรียกว่ารูปถูกรู้เรียกว่ารูปกายสัมผัสเย็นนอนอ่อนแข็งกายก็ เรีว่ารูปนะเพราะฉะนั้นในความหมายคําว่ากายนี่จึงมันรวมไว้หมดจะท่านแปลอยู่แล้วว่ากลุ่มกองจํานวนที่รวมกันจํานวนที่รวมกันมันก็เอามาหมดสิจํานวนนั้นนะ่ะทั้งหมดหรือการรวมเข้าด้วยกันถ้าเขาแปลดีถ้าเขาแปลถูกแต่คนไม่ค่อยเข้าใจ แล้วก็ไปติดการใช้แล้วก็ใช้สื่อกันก็เลยมีความหมายด้วนเข้าด้วนเข้าเลยกลายเป็นรูปประกายก็เลยด้วนอย่างนั้นแต่ถ้าบอกว่าร่างอ่ไม่เป็นไรร่างข้างนอกแต่ถ้าจะพูดถึงเอาเต็มๆด้วยภาษาบาลีและภาษาธรรมะด้วยมีคําว่ากายหมายขอ า, าสิ่งที่รวมหมดทั้งนา ม, มาทำนะเพราะคาว่าร่างกายจึงตัดนา ม, มาทำทิ้งไม่ได้นี่แหละอัตมาขอย้าตรงนี้ ในธรรมะประมัตาธรรมเนี่ยคําว่าร่างกายอย่าขออย่าทิ้งคําว่านามธรรมจิตใจมันจะเชื่อมโยงกันอยู่มีทั้งภายนอกและภายในถ้าเข้าใจอันนี้ไม่ได้คุณจะไปเข้าใจคําว่ากายในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตวะก้า 9, ไม่ได้เมื่อเข้าใจกายของในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดและสัตวะก้า 9, นี้ไม่ได้แล้ว คุณก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติโมกแปดที่สัมผัสด้วยกายไม่ได้คุณจะเข้าใจาความหมายนี้ไม่ได้โมกแปดนั้นคือการบอกถึงความรู้จะต้องรู้ทั้งหมดเลยหนึ่งรูปต้องรู้ข้อหนึ่งเลยโมกแปข้อหนึ่งรูปปีรู ป, ปานิปัสติรูปที่มีผัสสะปัสติแปลว่า เห็นจากสัมผัสเห็นจากสัมผัสต้องมีสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งสัมผัสกันแล้วก็เกิดทารู้เรียกว่าสัมผัสสามเมื่อรู้รูปรู้จักแล้วว่ารูปคืออะไรรูปคือรู้ได้โดยการสัมผัสด้วยการเห็นเห็นนี่นะมันต้องมีสิ่งสัมผัส แม้คุณจะเห็นในภายในคุณก็ต้องสัมผัสนามมารูปนั้นๆเพราะเมื่อเรารู้ข้อหนึ่งว่า ร, ารู้จักรูปคืออะไรแล้วการเห็นคืออะไรข้อสองท่านก็นสำทับละเอียดครบเลยทีนี้วิโมกข้อที่สองอัจชัดตังอรูปสัญญเอกภหิทารูปานิปัสสติ เท่ไม่ยอมเลยทุกวันนี้อาตมาพูดระษาบาลีย่งกับพวกจบปริญญาปริญญาชั้นไหนก็ไม่รู้ล่ะอาจจะประิญญาสิบก็ได้ประิญญาสิบก็ไม่มีในโลกจะมีแต่แค่ปริญญาเก้าอาตมาเลยเลยไปไปเรียนสิบปริญญาศูนย์ไงสิบกับศูนเป็นเดียวกันคือไม่มีสักประเริญญาประเริญญาสิบมันแปลว่าอะไรอัจฉริยปางแปลว่าภายในอรูปกับ สัญญาอารูปะสัญญีสัญญีก็คือการกำหนดรูสัญญาสัญญีกำหนดรูถึงขั้นอรูปรอาจจมาไมว่วิจัยวิจารณ์บางท่านท่านไปแปลในพระเถรปิฎกบางจำนวนท่านไปแปลเป็นอสัญญีท่านไม่ได้เป็นแปลอรูปแต่บางจำนวนในพระเถรปิฎกบางเล่มท่านแปลถูกท่านแปลถึงอรูปมื่อไหร่กำหนดรู้อรูปได้ถึงขั้นอรูปถึงภายในเนี่ไปถึงขั้นอรูป อ่าเป็นรูปประรูปแล้วก็เป็นอรูประรูปนะเป็นรูปภายในเลยเป็นถึ้งอารูปข้างภายในลึกสุดเลยนั่นอารูปอ่าทีนี้ถ้ากำหนดไว้อารูปแล้วอันแรกอัจตังอรูปประท้นยีคือใช้การสัญญากำหนดรูปนี่แหละเป็นตัวศึกษา เพราะฉะนั้นจะต้องฝึกสัญญาฝึกสัญญีกำหนดรู้ให้ได้ทั้งนอกและในละเอียดละอ่อมหมดเลยทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหมดเอโกท่านแปลว่าผู้หนึ่งผู้เดียวมันเป็นภาษาหยาบมันเป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่เอโกนั้นมันหมายถึงโดยตนเองส่วนตนเองโดยของตนเองเพราะเรียนรู้ของตนเองให้ครบทั้งนอกและในเอโกเนี่ยโดยส่วนตนโดยตนเอง ของตอนเองโดยตนเองโดยส่วนตนเองของตนตนเองอย่าไปเอาคนอื่นมาเกี่ยวเท่าไรอย่าไปคนนะคนอย่าไปเกี่ยวคนแต่เกี่ยวข้องมาซ้อนเกี่ยวกับคนไหมเกี่ยวคนที่เราจะสัมผัสร่วมรู้ร่วม ส, สัมผัสแต่อย่าไปที่ได้รู้คนอื่นของเขาไปที่จะลาลาบและลวงคนอื่นเขาเช่น ค, ความคิดของคนอื่นเขาอย่าไปยุ่ง ความคิดของแหลงกรองกองความคิดของมะเขือก็อย่าไปยุ่งความคิดของมันฉันใดคนคุณก็อย่าไปยุ่งกับความคิดของเขาต้องเทียบอย่างนี้จะเข้าใจดีใช่ไหมคุณเข้าใจแล้วเออเราไปวุ่นวายกับความคิดของมะเขือบ้าเลยมันไม่มีความมันมันช่วงของมันถ้ามันจะมีความรู้สึกรึกคิดบางคนยังบอกว่าพืชพันธญยาหานี่มันมีความรับรู้แล้วก็มันรู้สึกยังร้องเพลงให้มันฟังเลย แต่เอาใจมันได้อย่างนี้เป็นต้นก็คุณก็ว่ากกันไปคุณเข้าใจอย่างนั้นแต่ตะมาว่าไอ้พวกนี้เป็นผีชัน้นยามเท่านัน้นไม่รู้กับคุณหลบแต่ถ้าเอาเถอะคุณจะ ว, ว่างันคุณก็ว่ากันไปตะมาก็ไม่แย้งไม่เถียงไม่ว่าอะไรคุณเข้าใจของคุณใช่ไหมตะมาก็เข้าใจว่าตมาต่างคนก็ต่างทำเพราะฉะนั้นถ้าเผือว่าเราจะรู้เอโกส่วนตนนี้ก็คือส่วนตนต้องจัดชัดเจนมาตัดกรอบให้ได้ว่าส่วนตน ของคนอื่นเขาจะคิดยังไงเขาจะเป็นยังไงหมดส่วนของเขาเพราะฉะนั้นคํานี้อจจตังอรูปะสันยีและอรูปะสัญญีรูปานิขอไปรูปานิอยัางต้องกันท้ายอจอจจัตตังองอรูปะสัญญีเ อ, เอโกคำว่าเอโกคํานี้เนี่ยของตนนะส่วนตนนะในตนนะเป็ของตอนส่วนต น, น, ต น, ตนทำของเรานี่อันนี้เรียนรู้อันนี้อจจตังกันในนี้ พระหิดทางพระหิตทาข้างนอกก็ของเราเกี่ยวเกี่ยวเนื่องมาตัดข้างนอกข้างนอกก็เอาข้างนอกมาเป็นเราอุปาทาเยรูปมหาเรามหาภูตเรูปมันเป็นตัวของมันมันเป็นดินน้ำไฟลมแม้แต่คนก็ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมคนอื่นๆใดๆดตัวตนบุคคลเราเขาที่กินอาหารกาวรินกระราหารเนี่ยคุณถ้าผัดแล้วคุณก็เอามาเรียนรู้ที่เราเอโก จะไปไปละลาบล้วงคนอื่นเขาไปละลาบล้วงคนไปละลาบล้วงมะเขือไปละลาบแล้วล่วงเงาะไปละลาบละล้วงไอ้ไอ้ถ้วยชามไปละลาบแล้วล่วงอะไรพวกนี้เมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับมีสําเนินเราไปขอกับประฐานจากหลวงพ่อพุธทาอ่าแต่ว่าพอไปเจอท่านปุ๊บก็ไปถามนั่นว่าเอพระที่บวชตัณฑ์ที่ส่วนโมกมีศึกบ้างหรือเปล่าอ่า หลวงพ่อเทารท่านก็ยิ้มยิ้ ม, มาเน้นบอกว่าท่านตอบด้วยความเมตตาท่านบอกว่าอย่าเสือกว่างั้นคมมากเลยโหคมบาดเสียบเลยนะมันชัดเจนที่สุดเลยว่าอย่าไปเสือกคนอื่นเอาส่วนตนเอโกชัดขึ้นไหมโอ้โหใช้คาว่าเสือกนี่ชัดขึ้นเนาะอย่าไปแซ่แซ่ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ เสือกนี่โอ้โหเจ็บด้วยเสือกนี่เจ็บด้วยใช่ไหมมันชัดขึ้นยิ่งกว่าแสแสเนี่ยยังไม่เจ็บเท่าไหร่ถ้าบอกอย่าเสือกไปยุ่งคนอื่นเออชัดกว่านี่คือภาษาสื่อที่มันแจ้งสภาวะรรมันละเอียด ล, ละอออย่างี้นี่เราไม่ได้พูดคำหยาบ ก, กันนะเราพูดภาษาไทยที่มันสื่อสภาวะทมสภาวะสวะัจธรรม เราไม่ได้พูดคำายาวเราไม่ได้ไปโกรดใครเราไม่เคืองใครเราไม่เป็นด่าใครแต่เรากำลังขยายความขยายธรร ม, มะสู่กันฟังเพราะงั้นพอมาถึงพระหิทธารูปานิปัสสติในวิโมกข้อสองเมื่อกี้นี้ไขเน้ออินเสิร์ตเข้ามาให้เป็นตัวหนังสือหรือสุดแดนทาอยู่ทั้ง อ, อยู่ทั้งสันติ ได้รับการทวงไปว่าอาตมาว่าอาตมามาอยู่นี่แล้วคุณก็ไม่ได้มาด้วยคุณก็เลยเฉยเมยไม่เกี่ยวแล้วชักร้อนตัวมังเนี่ยเลยทําหน้าที่แล้วก็คุมเครื่องอยู่ที่สันติในเขาเอินเสินมาจากสันติเลยนะอ่าเพราะในข้อสองนี้เนี่ยอ่าท่านแปลเป็นไทยว่าผู้ไม่มีความสําคัญในรูปภายในอันนี้แหละอาตมาว่ามันลงทะเล ย, ย, ยเยอะเย็นแมทะเลแถวทะเลขวัญ น, นี่ก็ได้ มันมันไปใหญ่เลยเนอะมันไปใหญ่เลยถูกคลื่นซัดออกไปไหนซะไหนเลยอ่ามันไม่ได้หมายความว่าไม่สําคัญอ่าไม่ได้หมายความว่าไม่สําคัญอักษรยีสัญยีสัญญาเนี่ยแปลว่าสําคัญมั่นหมายมันไม่ได้สําคัญกับอะในรูปภายในเขาอะรูปแท้ๆก็ไปตัดอ่ะเขาไปใส่สัญญีท่นี่แล้วก็เอารูปมาบอกไม่สําคัญมั่นหมายในรูปภายใน อธิษตางปแปล ว, ว่าภายในท่านก็ไปแปรสับกันอย่างเงี้ยเพื่อจะมาบอกว่าท่านว่าไว้ชัดแล้วอารูปสัญญีกําหนดสำคัญมั่นหมายในภายในเนี่ยลึกเข้าไปถึงอารูปของเอโกอเอโกอาจจะลึกกว่าอากโกาาอาโกภาษาจีนอเอโกส่วนต้น และอีกประโยคหลังบอกว่าพระหิทธารูปานิปัสสติก็คือรูปทั้งหลายรูปานิรูปทั้งหลายภายนอกรวมอยู่ด้วยไม่ได้ทิ้งรูปภายนอกและต้องสามารถล่วงรู้ข้าไปถึงอย่างรู้กันไปถึงในภายในถึงขัง้นอรูปนะจ๊ะเห็นไหมหไห ม, มันลึกซึ้งมากและเห็นนะ ปัจติตัวสุดท้ายเนี่ยคำว่าเห็นนะเห็นนะผัสสะเห็นทั้งไอ้ภายนอกแน่นอนคุณตาไม่บอดหูไม่หวงไม่หลับตาไม่ปิดจมูกไม่ปิดหูปิดความรับรู้คุณสัมผัสอยู่แล้วเห็นปัสจติเห็นในนามมารูปด้วยเห็นในภายในด้วยเห็นเข้าไปถึงอรูปอรูปด้วยเพราะฉะนั้นอรูปถึงขั้นนามมาทา ถึงขั้นเป็นชีวะถึงขั้นเป็นวิญญาณแจกวิญญาณออกไปทั้งหมดเลยเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานทั้งหลายแล้วคุณก็จะต้องเรียนรู้ให้หมดนี่คือความหมายของวิโมกข้อที่สองอาตมาอธิบายยังตกหล่นอยู่นะยังรู้สึกว่าตัวเองยังอธิบายไม่เก่งยังไม่ครบเท่าไหร่ในวิโมกข้อที่สองเนี่ย แต่วันนี้ได้อธิบายละเอียดโอ้โหนี่เพิ่มเป็นห้าร้อยเฟรมต่อวินาทีแล้วกันอาตมาไม่บังอาจจะเอาล้านเฟรมเท่าคนแปดเจ็ดศูนย์ห้าหรอกคนแปดเจดศูนย์ห้าบอกว่านี่ขยายล้านเฟรมนะโอ้โหอาตมาว่าไม่บังอาจปานนั้นเอาขยายเป็นห้าร้อยเฟรมแล้วนะวันนี้เพิ่มขึ้น น, นี่คือการรู้สิ่งเหล่านี้อย่างสัมผัสเห็นเห็นผุดสิตวาหรือผัดศั แล้วก็เห็นอย่างมีหนึ่งสองมีพัสสักสามตากับรูปหูกับเสียงหรือแม้แต่ภายในก็มีมนายตนะกับธรรมายตนะก็มีอย่างนั้นด้วยรู้ไปถึงขนาดนั้นนี่คือข้อสองว่าไม่โมกสามรู้คุณสมบัติเลยทีนี้รู้ถึงผลเลยทีนี้ข้สามึ่งภาษาของข้อสามนี่สั้นภาษาข้อสามบอกว่า สุพันเตวะอธิมุตโตโหติแค่นั้นเองอในพระเยชนะบาลีสุพันเตวะอธิมุตโตหรืออธิโมกโคบางเล่มท่านก็ใช้คําโมกโคหรือบางทีโมคขะนั่นแหละกับมุตตินั่นแหละอวิมุติกับวิโมกนั่นแหละจะใช้คําเหมือนกันวิโมกกับโมกขะหรือวิโมกหรือวิมุตมุตติเหมือนกันท่านก็ใช้คําว่าอติ มุตโตเอ้ขอไปอธิอธิมุตโตหรืออธิโมกโคเกิดอันนี้มีอันนี้แล้วะโหดิเกิดสภาพนี้เกิดอันนี้เกิดอธิโมกหรืออธิมุตก็คืออัธิศีลก็คือศีลเจริญไปตามลําดับจนถึงที่สุดอัธิจิตก็คือจิตเจริญเป็นตามลำดับจนถึงที่สุดอธิปัญญาก็คือปัญญาเจริญเป็นอธินไปเรื่อยๆจนถึงที่สุด ที่โมกก็คือความรู้ยิ่งที่มันพาตัดสรูปบรรลุนิพพานไปตามระดับ ท, ที่สุดหรือโมกโขหรือมุตโตวิมุตโตเหมือนกันท่าก็แปลโดยพยัญชนะว่าแนวโน้มโน้มไปจิตโน้มไปถ้าแปลอธิมโมกหรืออธิมุตว่าจิตโน้มไปอ่ามันคือมีทิศ ท, ทางไปเนะน่นะเป็นสัมโพธิปรายณนะ เป็นการเดินทางไปสู่ที่สุดที่สูงที่สุดแต่ท่ายเดียวนี้แหละเรียกว่าโน้มจิตไปในทิศทางนี้เรียกว่าเทรนแนวโน้มโน้มเทรนไปในทางนี้โน้มไปสู่ทิศทางนี้เป็นทางสูงนเป็นสุพันเตวะอธิมุตโตโหติเนี่ยหรือมันเป็นสัมโพธิปรายนะปรายะแปลว่าข้างหน้า สำโพธิแปลว่าตรัสรู้สูงเจริญด้วยโพธิความตรัสรู้สูงไปเบื้องหน้าไปถึงที่สุดสำโพธิปรายนะก็คือจิตเจริญโน้มกันไปสู่ที่สูงจนถึงที่สุดที่สุดอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุพันเตวะก็คือสุภากับอันตะอันตะแปลว่าที่สุดสุพันเตวะอันตะแปลว่าที่สุดกับคำว่าสุภะสุภาแปลว่าอะไร แปลว่าเจริญแปลว่าความมีโชคแปลว่าสิ่งที่น่าพึงใจเป็นสิ่งที่น่าได้น่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดะดีไปเรื่อยจนถึงดีที่สุดนั่นแหละเป็นโชคเป็นสิ่งที่ควรได้ควรมีควรเป็นเพราะงั้นได้จนถึงที่สุดก็คือสุพันต์สุพันตะสุพันเตวะได้จนถึงขั้นสุดก็คืออธิมุตหรืออธิโมนี่ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสุด สรุปแล้วสุพันเตวะอธิมุตโตสองคำนี้ให้ความหมายแล้วโหติก็คือเกิดเป็นสมบูรณ์โหติกป็ว่าการเกิดการเป็นแล้วได้แล้วมีแล้วได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะได้อะไรอะได้อธิมุตรหรือได้วิมุตรหรืออธิมโมกหรือได้วิมโมก เป็นอันตะเป็นที่สุดนั่นเป็นโชคของคุณแล้วเป็นสุภะแล้วทีนี้ในความหมายของอาตมาขออธิบายตรงข้อสี่ของวิญญาณทิฏฐิเจ็ดหรือสัตววาด้าข้อสอี่ใครจำได้กายอย่างเดียวกันสัญญา อย่างเดียวกันนี่คือนิยามของคำว่าวิญญาณิติข้อที่สี่หรือสัตว์ความเป็นสัตว์ในข้อที่สี่ยังความเป็นสัตว์อยู่ยังคุณยังเป็นอันนั้นอยู่อาวาสสัตาวาสคุณยังอยู่ในความเป็นสัตว์นั้นอยู่ยังครองความเป็นสัตว์นั้นอยู่ถ้าไปแปลเป็นพยัญชนะว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ ก็ใช่คุณนั่นแหละเป็นสัตว์คุณก็อยู่ตรงนั้นแหละมันก็ไม่ได้ต่างอะไรถ้าคุณเข้าใจสภาวะคุณยังเป็นสัตว์อยู่อยู่ตรงนั้นแหละที่จริงก็คือสัตว์นั่นแหละคุณเป็นสัตว์คลองความเป็นสัตว์อยู่ตรงนั้นแหละสัตว์ทางจิตกิญญาณเพรา ะ, ะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจคาว่ากายองค์รวมองค์ประชุมของทั้งหมดทั้งรูปและนามถ้าเข้าใจไม่ได้คุณก็รวมไม่หมด ยิ่งคุณไม่เข้าใจว่ากายก็คือรูปร่างโครงสร้างโครงรงอกงโค ง, งนอกอนอกระล่างกายข้างนอกจบเพเลยจบเพเลยความเป็นสัตว์อันนี้ไม่ได้หมายถึงโครงร่างข้างนอกนะไม่ได้หมายความว่าไอ้ยตัวยาวๆนี่คืองูนะไม่ใช่อ่าอ่าตัวสี่ขาเดินมาลังคามุงกระเบื้องนี่คือเต่านะไม่ใช่ ไม่ใช่โครงร่างอันนั้นสัตว์อันนี้ไม่ใช่สัตว์อันนั้นสัตว์อันนี้คือนามธรรมเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เทวดาเป็นสัตว์พรมเป็นต้นหรือเป็นอริยบุคคลเป็นโซดาสกิทาอนาคาอรหันเป็นต้นเป็นพรหมสัตว์อรหันคือพรหมสัตว์สัตว์บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะถ้าเข้าใจความหมายอย่างนี้ไม่ได้คุณก็กําหนดเขาเป็นกายผิดเมื่อคุณกําหนดผิดคือสัญญาเป็นการกําหนดเป็นความสําคัญมั่นหมายว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามความรู้ขคุณเมื่อคุณรู้อย่างงี้คุณก็กําหนดอย่างนี้เพราะฉะนั้นในตัวอย่างกายวิญญาณทิฏฐิข้อที่สี่หรือข้อภัยนัตตนพุทธิยังไม่มีพื้นฐานอาจจะยากหน่อยแต่พยายามฟังไว้ก่อน เมื่อเข้าไปในเครื่องเนี่เข้าไปเรื่อยมันทิ่งไว้ในฮาร์ดดิสเนี่ยสักวันหนึ่งคุณเอามาใช้ได้จำจำไม่ก็ได้แต่จำได้ก็จำมันเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมันรู้มั่งไม่รู้มั่งก็จำมันไว้เหมือนท่องดิกชันนารีอะท่องปไปไม่เขารู้เข้ามหมายอะไรแล้วพอรู้คำแปลพอตอนหลังถ้าใช้มีปฏิภาณปัญญาเราจะรู้โอ้อันนี้มันมีความหมายอย่างนี้มันลึกซึ้งอย่างนี้มันอย่างงี้อย่างนี้แล้วคุณก็จะใช้ความหมายของพยัญชนะแต่ละคำนั้น อย่างครบั่วทั้งนอกและในเพราะว่าจำนอกไว้ก่อนก็นได้จําโครงร่างไว้ก่อนก็นได้แล้วค่อยไปรู้ความละเอียดข้างในอีกทีหนึ่งในข้อสี่พุทธเจ้าทังยกตัวอย่างเช่นสุภกินนาหะพรมสุภกินนาหะพรมเป็นพรมในระดับท่านสูงแล้วนะขั้นที่เราอาตจมาจําไม่ได้หลอกท่านพรมมีตั้งมีตัวสิบสิบหกชั้นเอ้ยอ พมยี่สิบลบออกสักห้าก็เหลือเท่าไร่อนับมนุษย์ออกหนึ่งก็เหลือถูกแล้วสิบหกชั้นถูกแล้วสุภกินห้าเนี่ยเป็นชั้นสูงสุดก็งสิบหกแล้วเป็นชั้นสูงสุดก็งสิบกแล้วสุภกินห้าเป็นชั้นสูงสุดหมายถึงอะไรหมายถึงขั้นนิโรธ ชั้นสูงสุดแล้วชั้นนิโรธหรือนิพพานใบพอดของนิโรธก็คือนิพพานหรือวิมุตเป็นชั้นนิโรธนิโรธแปลว่าความดับนิโรธแปลว่าความดับวิมุติแปลว่าความหลุดพ้นนิพพานนั้นทั้งหลุดพ้นทั้งดับสมบูรณ์หมดต้องลึกซึ้งกว่า ม, มากเป็นปริโยสารนิพพานนั้นยังไม่อธิบายวันนี้นิโรธแปลว่าความดับทีนี้คนที่ไปศึกษามาว่าความดับก็คือความดับ ดับอะไรก็ดับอย่าให้ไปรู้อะไรนี่รู้ดเขาก็ไปแปลว่าความดับอย่าให้รู้อะไรคุณไม่ให้รู้อะไรคุณก็ไปทําให้ไม่รู้ถ้าลืมตาอยู่นี่ทําให้ไม่รู้มันก็ยากเพราะมันยังตาสัมผัสหูก็ยังได้ยินเสียงอะไรอยู่นี่มันก็ไม่ได้ต้องเข้าไปอยู่ในผวังเข้าไปอยู่ในข้างในแล้วก็ไปควบคุมอย่าให้มันรับรู้อะไรอย่ามัารู้หลับไปหลีไปหลีไปหลีไปหลีถ้าหลับมันยังฝัน ไม่ให้มันฝันเลยทีนี้หัดฝึกอย่าให้ฝันให้มันหลับไปเลยดับปี้ไปเลยไม่รู้อะไรเลยนะผู้ฝึกสมาธิแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบพุทธที่จะฝึกอย่างนั้นอนะ่ะฝึกนิโรธแบบนี้แล้วเราสัญญากำหนดหมายว่านี่แหละนิโรธต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้ดับอย่างเนี้ยดับไม่รู้เรื่องเลยกาหนดดับอย่างนี้เลยอ่าเขาก็ ปฏิบัติเอาจนสำเร็จผลเขาก็เป็นโชคของเขาสุพรร์เตวะสุพันณเตวะของเขาเป็นสุภกินนหะสุภะสิ่งที่เขาหน้าได้น่ามีจินหน้าพึงใจของเขาเป็นโชคของเขามากที่เขาทำสำเร็จนิโรธนิโรด น, นี่คือจุดปลายของศาสนาทีเดียวพระยันผูดใดททำสมาธิได้ถึงขั้นนิโรธโอโหยอด ก็ฝึกกันใหญ่โดยสัญญาผิดไปจากความจริงแต่ก็นิโรธมันยากอธิบายยากๆกันเนี้ยคือมันจะมีนัยยะลึกซึ้งที่ต่างกันถ้าขั้นปรมัตา์ต่างกันแต่ถ้าขั้นสมมุติสัจจะเหมือนกันมันดับเหมือนกันนะนิโรธแปล ว, ว่าความดับเขาก็ดับมาแล้วเขาก็สัญญามีแลงดับอย่างนี้แหละนิโรธ ของเขาก็ได้ของเขาเต็มที่จบสมบูรณ์ของเขาชื่นใจสุดสูงสุดและนิโรธเพราะฉั้นศาสน า, า, าที่ต่างกันที่ว่าต่างกันนี่คือต่างระหว่างพุทธกับของไม่ใช่พุทธเพราะของไม่ใช่พุทธก็คือนิโรธดับจิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยดาเพียนาดับสัญญาหมดเลยไม่นึกไม่คิดอะไรเลยเขาก็ได้นิโรธของเขาคําว่านิโรธอย่างเดียวกันคําเดียวกันกําหนดเดียวกันจุดหมายที่ จิตสัญญาอย่างเด็วกวำเ น, นิโรกก็ของฉันนิโรธของขันฉันอย่างนี้อะดับจิตอย่างนี้อ่ะของฉันน่ะฉันก็ได้ของฉันก็เต็มรูปของฉันแล้วไม่ผิดจริงของคุณนิโรธของคุณแต่นิโรธของพระเจ้าดับเหมือนกันดับกิเลสของพระเจ้าดับกิเลสดับสนิทเลยดับปี้เลยดับ เพราะฉะนั้นสัญญาว่าได้นิโรธสัญญานิโรธเหมือนกันทั้งคู่อย่างเดียวกันทั้งคู่แต่ในนิยปธปรมกับสมุิกับสมุตทีสัจจะกับปรมาสัจจะคนละเรื่องในสมุินิโรธเหมือนกันแต่ในปธรตมนั้นสมุติีิสัจจะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงปธรรมทำนิโรธปธรตมไม่ได้ได้แต่นิโรธสมุติีิสัจจะ พระมัตถสัจจะเข้าใจนอกจากเข้าใจแล้วทําได้ด้วยและรู้ด้วยว่าไอ้ น, นี่ไม่ใช่นิโรธไอ้ น, นี่ไม่ใช่นิโรธขออาภัยต้องยกตัวอย่างอาตมาทําได้เพราะฉะนั้นอาตมาจึงรู้จักนิโรธของที่ไม่ใช่พุทธและก็รู้นิโรธที่เป็นของพุทธคือดับกิเลสสภาวะกิเลสรู้จักตัวกิเลสที่เป็นสัตว์กายะ จนกระทั่งลดลงจางลงจางลงเป็นอัตนาน้อยลงก็ตามรู้ตามเห็นอัตนานุทิฐิหรืออนุปัตติ์ซีตามรู้ว่ามันจางคลายจนกระทั่งมันนิโรธนิโรธานุปัตติ์ซีดับความดับของตัวกิเลสก็เห็นแจ้งดุจสัมผัสรู้อยู่ข้างในยานรู้ข้างในแต่ไม่ได้ดับจิตเหมือนกับของ นิโรธที่ไม่จิตพุทธเพราะฉะนั้นต่างกันคำนี้คือไอ้ที่ผู้ที่เข้าใจผิดต่างกันกับของพุทธนั่นแหละหนึ่งจะเรียกให้เป็นศัสา์ก็คือเดรัธีจะเข้าใจอย่างนั้นแต่พุทธจะเข้าใจอย่างนี้สัญญากันคนอย่างเดรัธีสัญญาอย่างหนึ่งพุทธสัญญาอย่างหนึ่งสมรสอย่างหนึง่งแต่เรียกนิโรธเหมือนกันแล้วก็มั่นใจว่านิโรธของตนเองถูกเขาก็ได้ของเขาเขาได้อะไรได้นิโรธอย่างเดียวกัน คำว่านิโรดนนบัญญัติเหมือนกันสภาว่าเขาก็ได้ของเขาแต่ของพุทธก็ได้สภาว่าของพุทธเรียกว่ากายอย่างเดียวกันคือกายคำว่าดับเหมือนกันแต่อันนึงดับขั้นสมุทติสัจจ์ส่วนดับขั้นปรมัตติสัจจ์นั้นเขาไม่ใช่อันนี้เป็นนัยยะลึกที่อธิบายยากมากเลยจึงเรียกว่ากายนิโรดอย่างเดียวกัน สัญญาก็นิโรธอย่างเดียวกันแต่ในในัยยะสำคัญที่ลึกซึ่งนั้นขั้นปรมัตน์กับขั้นสมุิที่เป็นสัจจะมันต่าง ก, กันตรงนี้พรางคนเข้าไปถึงปรมาทิตสัจจะพูดให้ตายเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงๆเขาก็จะรู้ในกรอบของสมุดดีสัจจะเท่านั้นเข้าไปถึงนามธรรมาเข้าไปถึงความลึกซึ่งของสภาวะลึกอย่างนี้ เขาไม่เข้าใจสบัดไม่ติดหรือเขาก็ทำไม่ได้ด้วยเพราะเขายังจับสักกายะยังไม่ได้เลยองค์ประชุมของสักกะนั่นแปลว่าตนเองสักกะหรือสักกานี่แปลว่าตนเองสักกายคือองค์ประชุมหรือองค์รวมแล้วรวมกันเข้ากับของตนเองทั้งนอกและในทั้งรูปและนาม เรยวสักกายะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอันแรกเลยที่จะเรียนรู้ก็ต้องรู้ข้างนอกก่อนมีผัรษะสามแล้วก็รู้แล้วว่าโอ้โหนี่กำลังผีกำลังเกิดในภัรษะสามสัมผัสเงาะสัมผัสรองกองโอ้โหผีขึ้นเลยนี่จะเอาวิจาณได้ของพอไรว่าไม่มีตังนะจะเอาแล้วนะชันจะไม่คดีละเขอเขาไม่ให้แย่งเลย ก็ไปอยากที่มันจะเอามันอยากแรงมันก็ต้องรุนแรงมันก็ทําชั่วไปเยอะขึ้นนั่นคืออาการผีทางจิตอกุศลจิตมันเกิดเป็นผีพูที่ศึกษาธรรมะพรุทธเจ้าก็ต้องอ่านความเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์อบายสัตว์ผีเนี่ยสัตว์นรกสัตว์อบายสัตว์เปรตเนี่ยสันเดรชานเนี่ยมันเป็นสัตว์เช่นต่ำสัตว์ทางจิตวิญญาณ ว่าถ้าเราแยกไม่ออกว่าสัตว์ทางจิตวิ ญ, ญญาณเรียกว่าสัตว์โอปปาติกะในภ า, ฮาษาบาลีจะเรียกสัตว์ตาโอปปาติกะเนี่ยสัตว์โอปปาติกะทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณยังแยกไม่ออกจริงๆเลยแล้วคุณจะรู้จักความเป็นสัตว์ของคุณแล้วคุณจะล้างความเป็นสัตว์ให้หมดคุณจะตรวจสอบว่าเอออาการเป็นสัตว์ทางวิ ญ, ญญาณของเราหมดแล้วในจิตใจเราหรือหมดไปขั้นหนึ่งแล้วเป็นโสดาแล้วหมดขั้นสองแล้วเป็นสกิทาแล้ว เป็นสังกิธาสูงขึ้นสูงขึ้สุงขึ้นจนตัดรอบได้ว่าเป็นอนาคาแล้วเพราะหมดสักขกามสักขกายสัก ข, ขคือสวรรค์สวรรค์ทางกามสวรรค์องค์ประชุมทางกายองค์ประชุมทางสวรรค์ทางนอกคืออสักขกามสักขกางคือตามหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วมันก็สุขมันก็เป็นสวรรค์คุณบอดแล้วอารมณ์สวรรค์แบบ ข้างนอกสัมผัสในตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นองค์ประชุมคําว่ากายะองค์ประชุมของสุขหรือองค์ประชุมของสัคะองค์ประชุมของความเป็นสวรรค์รสสวรรค์น่ะรถของเทวดาหอ่หอห้อเป็นสุขโลกีสุขเวทนาเป็นเคหสิตะสุขแล้วสมมนัสเวทนานะ่ะมันไม่มีแล้วต่อให้คุณสัมผัสลองกรองที่คุณจะอยากอร่อยตรงนี้สัมผัสยังไงมันก็ไม่มีแนละ้วมันวางเฉย มันเป็นเนกขมัสิตะอุเบขามันเฉยมันเฉยเฉยก็ไอไอนี่แหละคุณก็สัมผัสอยู่แต่คุณมีดับกิเลสมันดับอัศธารสอร่อยมันดับความอยากได้อยากเสรอยากมีอยากเป็นดับรู้อยู่แต่ก่อนนี้เราเป็นทาสมันด้วยเดี๋ยวนี้หมดความเป็นทาแล้วเป็นไทยแก่ตัวแล้วเป็นนายมัน ไม่ได้เป็นธาตุมันละเป็นนิโรธที่รู้ทั้งรู้อยู่เหนือมันจึงเรียกโลกุตระหรืออุตตรธรรมโลกุตระธรธรมอยู่เหนือมันมีดับไหมมีนิโรธมีสินิโรธที่วิเศษไปขั้นปรมาภิธรรมไม่ใช่นิโรธแค่สมุติธรรมสมุติธรรมนั้นรู้ง่ายเพราะงั้นผู้ฝึกที่เรียนรู้จริงแล้วฝึกทําได้อย่างอาตมาเนี่ยไม่ใช่คนเก่งคนกาดอะไรอาตมายัางทําได้เออ แต่อย่างปรมาทิสิอย่างของพุทธสิไม่ใช่ของเดรัจีสิเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขั้นปรมัตาที่ต่างผู้คนที่ยังไม่รู้ไม่สามารถอธิบายความต่างของปรมัติสกับสมมุติได้คนจึงจะอธิบายอยู่แต่ในวงวนของสมมุติเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปรมัติสแล้วจึงรู้ว่าผู้ที่อยู่ในแค่วง ว, งวนกรอบของวัฏสงสารของ สมมติบทต่างสารของโลกีเท่านั้นความสุขโลกีเท่านั้นแล้วก็เห็นลิ้นไก่ของคุณแล้วทำเนียงสูสอภาษากริยาสอสกุลก็อ่านได้อ่านออกยิ่งเราบอกทางปรมัตาไปด้วยบอกทางโลกุตระไปด้วยคุณยิ่งตีทิ้งคุณยิ่งง ง, งคุณยิ่งบอกมั่วสับสนแสดงว่าคุณไม่รู้จริงๆอ่ะ ใช่ไหมแสดงว่าคุณไม่รู้จริงๆมันก็ยิ่งชัดว่าเออคุณอยู่ตรงไหนคุณได้แค่ไหนอัตมาก็ขอยายความจริงให้ฟังอย่างเงี้ยอย่างพูดที่ท้วงอัตมามาแนละ้วก็สาทยายมายิ่งโอ้โหสร้างเรื่องมาข่าวหลังในยิ่งชัดหมดเลยอัตมาอธิบายไปแล้วให้เห็นได้เมื่อวานนี้ยังอุสาเอสเวดมานะเอสเวดมาบอกว่าโอ้โห แค่เสียงดังไอ้มันเสียงไ อ, อ้ที่มันเสียงอะไรเมื่อวานเสียงอะไรนะนะลำโพงลาโพงมันดังมันอะไรมันเกิดเหตุการณ์ทางเทคนิคนะทางเทคนิคมันดังตึ้งโอ้อหัทธนีเจ็ดนะตก อ, อกตกใจเสียงดังเท่านี้ก็ตก อ, อกตกใจแล้วอลัทธานีเจ็ดมันแย่มาเอชเมมาเนี่ยล่าสุดมีส่งมาข้อความเดียวเมื่อวานนี้ ดูเขาดูเขาดูเขาจับสู่ตลอดเวลาน่าแปลกจัจจุณ่าบอกว่าอ่าตกใจอ่าอ่าไอ้เรื่องนี้ก็ลึกซึ้งอาตมาไม่อยากอธิบายหรอกอธิบายไปเหมือนกันจะตั้งใจแก้ตัวไม่แก้เราคุณเข้าใจอาตมาผิดบ้างขี้ตกโกงตกใจก็ไม่เป็นไรอ่าอาตมาใจจะตกมันก็ใจของอาตมาอาตมาเก็บขึ้นแล้วที่จริงมันไม่ได้ตกหรอกแต่อาตมาไม่ได้ใช้มันอ่าจะเปลี่ยนดิจิตบอมันก็ต้องเปลี่ยนท่าเปลียนอะไรไปจะบอกว่าอันั่นคือการตกใจ อธิบายอย่างนั้นในในสภาวะของกายกรรมปรจีกรรมมโนกรรมหรืจิกกําลังต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องอยู่เอาละอย่าอธิบายเลยมันยากอธิบายอะไรที่ตื่นกว่านั้นเขาก็ยังไม่เคยเข้าใจอธิบายอย่างนี้ไปอรตมาก็ว่าอสีควายให้สอฟังมากกว่าเออมันจะไปรู้เรื่องอะไรสีควายสอฟังเดี๋ยวก็ถูกความขิดเอาทอนนั่นเองเอไปสีมันมากเขา ซอมมันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วไปสีมันมากๆเข้าโดนควายขิดเอาไม่ดีนะมันจะอุตราแต่สีซอมยังไม่เกิดเรื่องเท่าไหร่ไปสีควายเขาเนี่อะไรเดี๋ยวเธอได้เกิดเรื่องแล้วซอมมันไม่รู้เรื่องหรอกสีให้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องรึกเข็นเขาขึ้นครกงี่บอโทไปเข็นยังไงเข็นเขาขึ้นครกเม่เข็นไม่ไหวหรอกไม่กระดิกเลยไม่อุตรีเลย อาเก็นเขาขึ้นโครกยังพอทำนาอยังนี้ไม่บาดเจ็บเท่าไหร่ระหวังนันไปสีควายซอฟังเนี่ยยุ่งเดี๋ยวควายมาดําคาญมันงุดนิดขึ้นมาแล้วมันเล่นเอาแทงเอาฟิดเอายุ่งนอะอะต่อโอ้โหนิ่แล้วอีกครึ่งชั่วโมงเหรอเวลานี่ไม่ปลอเลยอ้อกลับอกว่าจะพูดเรื่องกายของประเทศไทยกํ <laughs> าลังพูดอยู่นี่ไง ก็ถึงบอกว่าองค์รวมทั้งหมดคำว่ากายนี่มันรวมไปทั้งหมดมันเป็นหมายถึงจำนวนที่รวมกันหรือ ก, การรวมเข้าเดียกันเป็นองค์ประชุมนะอย่าทิ้งข้างนอกที่อาตมาย้าตรงนี้ท่านเองมันรวมหมดทั้งพหิตารูปานิปัสสติไอภายในในแน่นอนมันต้องรวมอยู่แล้วอชัชตังไปถึงขั้นอรูปเนี่ยมันต้องรวมหมดนะเพราะฉะนั้นคาว่ากายโยเนี่ยรวม เอาที่นี้อย่างที่คุณติงก็อาออกตรงนี้อาตมาพยายามทํางานนิขยายกายขยายองค์รวมออกไปตามการประมาณแต่ก่อนนี้เรายังเล็กเรายัางน้อยเราจะอาจอาจเลื่อมไม่ได้เอื้อเอื้อมออกไปไม่ได้เลยเกื้อกว้างออกไปไม่ได้ก็เกื้อกันอยู่ในบงเล็กๆแแคบๆเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กว้างเท่าไหร่ แต่บางอานออกไปถึงขั้นเศรษฐกิจสังคมบางอาจเข้าไปถึงขั้นการเมืองของสังคมบางอาจเข้าไปถึงขั้นสัมพันธ์กับสังคมที่กว้างเกิดกว้างขึ้นกว่าเดิมผู้กเก่าๆจะรู้ว่าแต่ก่อนนี่โอ้ยกัตมาจัดกรอบไว้แคบแล้วก็ค่อยขยายขยายมาจนทุกวันนี้จนบางคนนี้หมุนสมองไม่ทันสมัยก็เลยตามไม่ทัน ห า, าอาตมาออกนอกรูนอกทางแล้วนี่โอ้นี่เลยเถิดไปแล้วไปแล้วพังแล้วพึกอะไรแล้วอาตมาก็เข้าใจเข้าอยู่ก็เอา น, นะอาตมาประมาณอาตมาเนี่ยนะทํามาด้วยมือแล้วจะมาลบด้วยเท้าตัวเองนี่จะบ้าเลยมันยากแสนยากนะทํามาได้ขนาดนี้แล้วจะมาบรรลัยพังของตัวเองโดยอะไรนี่อาตมาว่าอาตมาไม่เอานะคาว่าองค์ประชุมองค์รวมเนี่ย ประเทศชาติก็รวมหมดเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยอาตมาทำงานก็ต่อเมื่อผู้ที่เขาจะให้ร่วมทำงานนี้เขาเข้าใจหรือจะให้สูงไปก็คือเขาศรัทธาเขาเชื่อถือเพราะคนใดที่ไม่ศรัทธาไม่เชื่อถืออาตมาก็ขอบองกรงว่าอาตมาไม่มีใจจะทำงานด้วยเท่าไรหรอก วราเขาไม่นับถืออาตมาไม่ศรัทธาอาตมาแล้วอาตมาจะไปทํายังไงวาดไหวล่ะถ้าคนที่ศรัทธาเนี่ยยังไม่ง่ายเท่าไรเลยขออาภายัยเธอถามพวกคุณหนนะ่อย่ะใครศรัทธาอาตมามั่งใครศรัทธาอาตมามั่งลองยกมือทีเอาสองมือเลยเลยอาตมาทำงานกับพวกคุณนี่แหละเพราะคุณศรัทธา เพราะคนที่ไม่ยกมืออ่ะค่ะใครจะทาจะมามากมายกมืออาตมาจะไปทํางานกับเขาได้ยังไงใช่ไหมอาตมาไม่โง่เพราะที่จะไปทํางานกับคนไม่ศรัทธาแต่ก็ไม่ได้ตัดสัมพันธ์อาตมาก็สงสารด้วยซ้ําที่เขาไม่ให้อาตมาทํางานด้วยเขาไม่ให้ในเขานะไม่ใช่อาตมานะอาตมาไม่บังอาจไปลนาลาบลาลูกท่านเองอิสระเสรีภาพ แต่พวกคุณที่เข้ามาเองอาตมาเต็มใจยินดีมาเถอะลูกเอ้ยออันนี้แล้วก็ยินดีเชียวแต่ว่าคนที่เขาไม่ศรัทธาอาตมามีบางอ่าจแล้วก็ไม่ทำํำไม่ล้วลาบล้วรู้ไม่ไปวุ่นวายอะไรเข้ามากมายอันนี้เป็นเป็นสัจธรรมพระพุทธเจ้าสอนคนที่มีฉันตาคนที่มีศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธานี้ก็เข้าใจเข้าสัมพันธ์กันไปเท่าที่ได้ อาตมาจึงทำงานเท่าที่วัดกระแสสังคมอยู่ว่าเขาจะนับถือเขาจะเชื่อถือถือเราเท่าใดนาหรืออีกคำก็เขาจะนับถือเราเท่าไรว่าก็ประมาณอยู่ก็ไม่พยายามหลงตัวเองว่าเขาศรัท ธ, ธาเรามากแล้วต้องทมจนไว้ ถ้าสังคมเขาจะศรัทธาอาตมาสักร้อยเปอเซ็นอาตมาก็าจะรับประมาณแปดสิบอร์เซนต์ทด้วยแปดสิบเปอร์เซ็ตไม่ทําเต็มร้อเพราะอาตมากลัวจะคํานวณผิดหลงตัวว่าเขาศรัทธาเราตั้งร้อยวะ่ะแท้่ทเขาศรัทธาเราแค่สามสิบเองอาตมาก็บ้าเลือดเลยเดก็ไปทําด้วยอาตมาก็ตายขาดทุนจบจับเยินแน่ เสียหายเนี่ยไม่เป็นผลแน่เพราะฉะนั้นอาตมามีมัตตัญญาตามีการประมาณอย่างนี้ตามหลักสัพปริสัมเจตของพุทธเจ้าอยู่ตลอดเสมอที่ครบอธิบายอยู่เรื่อยพระท้าอาตมาเสี่ยงไปถึงขั้นขนาดนั้นอาตมาไม่ทำต้องไม่เสี่ยงถึงขั้นนี้ต้องมั่นใจถึงขั้นแปดสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปแล้วก็อาตมามั่นใจถ้าต่ำกว่าเจ็ดสิบอาตมาไม่เสี่ยงต้องมั่นใจถึงขั้นหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไป ห้าสิบนั้นมันจะไปฝันเลยว่าจะมาจะทำด้วยห้าสิบไม่เอาอ่ะเย่าไปแย่มันมาสำลักไม่มีมีจะลมประปาที่นี่ปล่อยมามีจะลมร้องดังเลยนะประปานี่ลมแรงเปิดขึ้นเล ย, เลยต่อต่อต่อแม้แวะอยู่เรื่อยน้า เพราะงั้นเมื่อเรียนรู้คําว่า ก, กายนี่นะอาตมาพยายามประมวลคําว่า ก, กายไม่พอเรารู้แต่เราก็ทําอาตมา ก, ก็ทําขยายความคําว่า ก, กายสัมพันธ์กับข้างนอกเขาแม้ในสังคมเราจะสัมพันธ์ได้มากเท่าไหร่ก็ค่อยๆเอื้อมเอื้อเกลี่ยกว้างนะค่อยๆเอื้อมเอื้อเกลี่กว้างไปทีละระดับทีละระดับไม่ผีผอมเมื่อทุงวันนี้เนี่ยอาตมาได้ทํางานการเอื้อมเอื้อเกลี่ยกว้เอื้อเกื้อม เอื้อมเอื้อ เ, ออ เ, ออเออกลี่อกว้างออกไปพอสมควรแล้วพอถึงขีดนึงอตาตมะก็เห็นว่าอตอนนี้เราจะต้องต้องโลปลอไฟหน่อยแล้วก็ต้องรู้ว่าตอนนี้เราจะต้องนะต้องโลหน่อยโลท่าทีลงมาโลปลอไฟลงมาหน่อยโลโลปลไฟคือต้องลดลงมา เพราะงั้นในองค์ประกอบของสิ่งที่ประกอบอย่างนี้เนี่ยมันมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมา ท, ที่อาตมาอธิบายยากขอไปใช้ภาษาฝรั่งโ r o p e r นี่ยก็ตามอ่ามันอาตมาก็เข้าใจตามภาษาอาตมาในแหละนะอตะาตมาก็ลดลงมาพอสมควรลดท่าทีลดท่าทางอ่าก็ได้ ตามที่เห็นเหมาะเห็นคนว่าควรลดหรือคนเพิ่มตอนนี้ก็คงรู้แหละอัตมาทำแล้วแล้วก็บอกความจริงว่าตอนนี้อัตมาลดลดท่าทีลงไปพอสมควรลงโปรไฟล์คือลดท่าทีก็ได้ประมาณนี้แต่ก่อนนี้ออกไปประมาณหนึ่งได้กาลองดูแล้วเออก็ได้ผลพอสมควรแต่เขาต้องคํานวณผลและองค์ประกอบต้องคํานวณองค์ประกอบเสมอแล้วก็บวกลบคูณหารกันได้ เออเท่านี้เท่านี้แล้วเราก็ค่อยทํำลงไปถ้าไม่เช่นนั้นผิดหมดทํางานกับสังคมยากคนที่จะทํางานกับสังคมได้ก็จะต้องประมาณสังคมเป็นแล้วก็ต้องรู้กายของสังคมองค์ประชุมของสังคมและของตนด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งอัตตัญญูตาและปริสัญญูตาแม้แต่กาลันยุตตา บริษัทยุตาก็คือกรอบขอบเขตของบริษัทขอบเขตของบริษัทหรือหมู่กลุ่มชุมชนคุณจะขยายชุมชนหรือหมู่กลุ่มที่คุณจะสัมพันธ์ด้วยไปขนาดไหนถ้าคุณสัมพันธ์ได้มี ส, สมรรถนะประสิทธิภาพพอคุณก็ขยายเข้าไปแต่ยังไม่พออย่าพึงต้องรู้อัดตันยุตาตัวเราก็เท่านี้อย่าบาังอาจมากนักเลย เพราะฉะ้ผู้รู้สัตว์ประหุจะประมาณตนจะเจียมตนจะอ่อนน้อมทําตนมากกว่าไม่ผีพรามไม่หา่าไม่เหินเพราะท่านไม่ต้องการดังไม่ต้องการเป็นแหลกลาบยศอยากได้ลาบได้ยศได้อํานาจโลกโล ก, กีมาแล้วท่านไม่มีถ้าท่านไม่มีจริงท่านประมาณไม่ต้องห่วงหรอกท่านไม่มากหรอกท่าจะน้อยไว้ท่านจะอัปิิชฉะอิบอาปิตฉะักคือน้อยไว้แต่ผู้ที่ ไม่มีความรู้แบบนี้มีแต่กิเลสเขาก็จะมากไว้อยู่เรื่อยมากไว้เรื่อยเอาโครงสร้างมากทั้งๆมันฟ้ามจะตายก็มากไปเรื่อยสักวันหนึ่งก็พังทําฟางไปแล้วมันพังมาเยอะแล้วมนุษย์เนะี่ยแต่ถ้าพวกที่ไม่ฟ้ามเอาแตเ่เนื้อเนื้อเนื้อเนื้อระมัดระวังไปไม่ไม่ล้มละลายง่ายะนี่เป็นความรู้ของสัตว์ตบารุษหรือความรู้ของสัตว์ปริหลัดต่ที่ต้องใช้จริง อาตมาพูดในอาตมาใช้จริงจากคําสอนเจ็ดหลักของพระเจ้ า, ามีอัตัญุตาธรรมัญุตาอัตัญุตามัตัญุตากาลัญุตาปริสันญุตาปุคระประโรปรัญุตาเนี่ยอาตมาใช้จริงนี่เป็นองค์รวมเป็นกายโยเป็นองค์ประชุมเพรา ะ, ะนั้นองค์ประชุมของประเทศมันก็มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมา ท, ที่อาตมาร่วมด้วยอยู่เนี่ย อาตมาบอกได้เลยว่าอาตมาไปทํางานกับสังคมข้างนอกเนี่ยอาตมาไม่ได้ทํางานอย่างโลกีโลกีถ้าเขาขยายไปสัมพันธ์กับข้างนอกเขาก็จะได้เปรียบจากข้างนอกเข้ามาหาตนเองเขาก็จะได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์ได้ข้างนอกมาหาตนเองสร้างเมกะโปรเจกต์ขึ้นไปเขาก็จะได้ล่วงตับกินไส้ในนั้นมาให้ตนเองแต่ถ้าโลกุตระหรือว่าสัตว์ปรุษแล้ว ขยายผลออกไปยิ่งใหญ่เท่าไหร่เรายิ่งวควักข้างในให้เขามากขึ้นเรายิ่งวควักข้างในให้เขามากขึ้นลงทุนลงแรงลงทุนลงแรงลงุกเวลาใช้เวลาไปให้เขามากขึ้นมันคนละเรื่องกันคนละกลับข้างกันเพราะอาตมาทํางานนี้ข อ, อยืนยันอาตมาทํางานอย่างโลกุตระทํางานเรามีพอจะวควักให้เขาได้ไหมวควักได้เราก็ทำถ้ายัางวควักไม่ได้ คุณอย่าสร้างสรร์ตนเองพุ่นตนเองให้รอดเลี้ยงตนเองให้สมบูรณ์มีเหลือมีพอจะควักให้คนอื่นเขาได้คุนยังก็ไปทํางานกับคนอื่นเขาการกายขยายความกว้างออกไปเป็นองค์ประชุมของเราที่จะไปสัมพันธ์สัมผัสกับสังคมนี่คือกายของสังคมอัตมา มีความรู้อย่างนี้และอาตมาก็ทำอย่างนี้ก็บอกความจริงสู่ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ดูเอานะหรือคุณจะดูไปก็ได้ไม่ต้องไปดูใบได้ดูไปไม่ต้องไปดูใบได้เนี้ยก็ดูเอาดูไปว่าอาตมาจะเป็นไปยังไงก็ดูไปไม่ต้องไปหรอกดูใบเสียตังเสียเครดิตเ ส, เสียทุกอย่างเลยนะ โดยเฉพาะขอเตือนว่าเสีย d i s p l i n เนี่ยทุกวันนี้นะ่พังไปหมดแล้วประเทศไทยมันเสียถึง d i s c p l i n แล้วไปไม่รอดแล้วมันจะเสียแต่เครดิต d i s c p l i n ก็เสียแล้วมันจะพังไปหมดแล้ว d i s p l i n ก็ไม่เหลื อ, อเพราะงั้นในการรู้แล้วก็ทำได้ตามที่เรารู้ ตามสมควรมีสับริธธรรมเจ็ดที่จะทำงานจริงๆเป็นสัตว์ตํารวต้องคํานึงถึงสับธธริษัมเจ็ดนี้จริงๆถ้าเป็นเช่นั้นไปไม่ไเป็นไม่ไกลๆหรอกพังงจริงๆบรรเลยจริงๆฟันวมมิชาการของพระพุทเจ้าทีสอนไว้แล้วก็ให้เดกเกิดความรู้เกิดความจริงแล้วออมาใช้ได้ เทอดามาพูดเนี้ยอาตมาใช้ได้นะเอาเถอะอาตมาจะเก่งหรือไม่เก่งในการใช้สัพุริสสามเจ็ดนี้ก็ตามอาตมาก็อธิบายให้ฟังว่าอาตมาใช้อยู่นี่จริงจะเก่งหรือไม่เก่งก็เท่าที่อาตมามีจริงและอาตมาก็ใช้จริงเท่าที่อาตมารู้คุณฟังกันแล้วกันช่วยกันระมัดระวังพวกเราก็ต้องศึกษาเอจะทํางานกับสังคมจะทํางานกับผู้อื่นไปเราทําคุณอ น, นสมควรก่อนแล้วเผยแพร่สอนผู้อื่นหรือช่วยผู้อื่น ในภายหลังก็ไม่ไม่มัวหมองไม่สูญเสียไม่ผิดพลาดแต่ถ้าเราไม่ทำคุณสมควรก่อนแล้วก็อวดดีอวดดีทำอะไระอะไรไปเกินตัวเกินจริงเราไม่มีจริงแต่เราก็ทำอะไรฟ่าๆหลอกๆมันก็บป็นไรกันแล้วก็มันรลไรมามากแล้ว น, นี่หลักคาสอนพระเจ้านี่วิเศษแล้จริงทุกอย่างพยายามทำไม่ได้ อัตมาขยายความอะไรตไรพวกนี้ไปในคําว่ากายคําเดียวเนี่ยยังขยายกันไม่ได้อีกหลายปีหลายชาติจริงธรรมกายคําเดียวนี่เถอะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักขยายความอันนี้ไปเลยก็แล้วกันเท่าที่เวลา ย, ยังเหลืออยู่อีกสิบกว่านาทีนะว่าตอนนี้นี่ประเทศไทยเนี่ยกายของประเทศไทยทุกวันนี้นี่ยับเยินมาก ยับเยินมากเหลือเกินถูกคนเร็วคนชั่วคนไม่มีปัญญาอาวิชชานี่ทําร้ายกายของประเทศไทยถูกทำลายทำลายอย่างหนักเลยนะอาตมาว่าจะอธิบายไม่ได้ถึงตรงนี้แต่มันมาถึงขณะนี้แล้วมันต้องอธิบายถึงตรงนี้เลยไม่ได้เอาเอกสารอันนั้นมาคือกวีบท ที่ปัจจุบันนี้นฉบับเราคิดอะไรฉบับปัจจุบันนี้อาตมาคืนเข้าไปแล้วเขาเอามาให้มาวานนี่นะอาตมาก็ไม่ได้คนอันนี้มาตามเพราะมราไม่ได้เตรียมมันจะพูดในนี้แต่พูดไปพูดมามันถึงฉบับเมย์ยอฉบับมกีนฉบับไอพูดไปสองไเบีย้ยและนิ่งเสียประเทศไทยเนี่ยแหล ะ, ะฉบับนั้นนั่นแหละ ก็จะขยายความอนั้นให้ฟังว่าตอนนี้นี่ประเทศไทยคือ อ, องค์คาพยพของประเทศไทยทั้งตับไตไส้พุงทั้งเรือนร่างจะเสียทั้งสองอย่างเรือนร่างคือแผ่นดินขอบเขตของประเทศไทยก็กำลังจะเสียนี่คือกายของประเทศไทยแผ่นดินเรือนร่างขอบเขตอาณาเขตของประเทศไทย แผ่นดินเป็นเรื่องของมหาพุทธ ร, รูปเลยก็กำลังจะเสียใช่ไหมจริงๆเขาบอกว่าเสียไปแล้วไอ้จริงๆนะพระตินัในเข็ครอบครองไปแล้วด้วยครอบครองไปแล้วน า, นามธรรมาหรือรูปร่างแผ่นดินทรัพยากรก็กำลังถูกปล้นกายของไทย กายของประเทศไทยขณะนี้กำลังถูกผู้ยี่ผู้ยำมือดีที่ดีคบนี้แปลว่าชั่วมือคนชั่วกำลังปล้นกำลังทำลายกำลังผู้ยี่ผู้ยำประเทศไทยหนักหนาสาหัสอาตมาก็ทึ่งไปรรึกทึงคำพังเพยว่าพูดไปสองไเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทอง เป็นการปลาไม่อยาพูดมากเลยหยุดดีกว่าอัตมาก็บอกอัตมาไม่หยุดนะพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียอย่าเอาสีไ่ไพสี่เบี้ยมามาล่ออัตมาเลยอัตมาไม่เชื่อเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วพูดไปเนี่ยมันจะได้มากกว่าสองไพเบีย้ยท่านนิ่งเสียจีแล้วคุณเอาหรอว่าท่านนิ่งเงินเด้งทีจะได้สีไ่ไพถ้าคุณพูดนี่ ได้ แ, แค่สองยนะอย่ามาหลอกไม่เชื่อไม่เอาอัตมากรับเห็นว่าถ้านิ่งเสียที่มันเสียประเทศไทยเลยไม่ใช่สองไฟเบีย้ยไม่ใช่ได้สองไปเบีย้ยได้สี่สี่สีไ่ไไม่ใช่สี่นะไม่ใช่ได้นะเสียหมดเลยประเทศไทยนิ่งเสียประเทศไทยเลยยิงนิ่งนิ่งเสียอย่าพูดเลย ถ้าพูดไปเนี่ยอย่างน้อยก็ได้สองัยเบีย้ยนะใช้ยิ่งนิ่ง่งนะไต้ถึงสี่นะตำลึงนี่คือสี่น่ยอาตมาก็เลยมาแก้ที่จริงประโยคนี้ไม่ใช่อาตมาเป็นคนต้นคิดหรอกคนต้นคิดประโยคนี้ก็คือครูไม้ร่มพูด อัตรมาว่าเออดีนี่อันเนี้ยอนนเอามาใช้เหอะเขาก็เลยให้มาได้รับอนุญาตแล้วนี่ไม่ปรดไม่ร้อมไม่ได้เป็ น, ปนระเบิดวิกฤติอะไรก็เลยเอามาทําเป็นกวีออกไปพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการการพูดน่าต้องการการเฉลยการพยายามที่จะพูดให้ความจริงกันออกมาให้หมด มันอมพนันหรือว่ามันอยู่ในอาณาอาณาจักรแห่งความกลัวกันมากแล้วตอนนี้เนี่ยเลยจะพูดก็พูดเพี้ยนเพียนผิดผิดหรือไม่ก็ไม่กล้าพูดความจริงออกมาเพราะเราต้องมารวมกันผนึกสมานกันร่วมสู้ไทยเอ่ยเอาแต่นิ่งเฉืเฉยชาติสิน้นพูดเถิด เปิดปากเฉลยตามสิทธ์เถิดเทินแสดงออกช่วยกันปลิ้นถลกเนื้อในเหม็นควักออกมามันเน่ามันเหม็นอะไรอะไรยังไงไปอมพนามกันอยู่แล้วก็ช่วยกันปกกัปิดอยู่มันก็ตายแต่บางทียิ่งเ ป, เ, ปเป็นกว่ามะเร็งเน่ายิ่งกวามมะเร็ง ร้ายอยู่กับมะเรง็งตายแน่แน่ตายคักคักอิลีอิหลอภาษาอีสานภาษาใต้เขาจะว่าไงไม่รู้ว่าพูดอยู่เมืองใต้ตายคักคักอิลีอีหลอแน่แน่จริงจริงจั ง, ๆ, จงๆเลยเอะแปลเป็นไทยภาษาลาวเขายิ่าคักคักคักนี่คือแน่ยิ่งกว่าแน่อิ lui, ลีอีหลอนี่ก็จริงยิๆๆ่งกว่าจริงภาษาลาวเขาบอกว่าตายคักคักคักแน่ๆๆเน่ <laughs> เอ้ยเนี่ยมันจำนวนของประชาภูมิวัตร อแต่ไม่ใช่คําผู้ของประชาปุริวัติหรอกประชาปุริวัติเขาเขาตั้งชื่อเรื่องของเข า, าอะไรเข็ดจริงๆให้ดินเออเข็ดจริงๆให้ดินตายออห น, ยนังเขาไปสร้างเป็นหนังไปฉายแล้วก็ตั้งชื่อเข็ดจริงๆให้ดินตายคนลราไม่รู้เรื่องเข็ดจริงๆให้ดินตายมในภาษาไทยเขาก็เลยโอ้ไม่ไหวแล้วหนังนี่ขาดทุนตายก็เลยคิดอยู่ไหมคัดคักซัดก ลาบาลาบคักๆซักแงกเขาเลยแปลนไอ้เค็ดจริงให้ดิ้นตายที่ไม่นชื่อนวริยาาของคุณพันตำรวจโทมหรือพันตำรวจตรีประชาภูนิวัฒน์เสียชีวิตไปแล้วล่ะซึ่งๆๆเขาถือว่าเป็นนักเขียนโมหานโมโหบือว่าประโยคบัตรทัาประแปดบาทโอ้โหตอนนั้นดังมากประชาภูนิวัฒน์ ลากระคักสักแงกๆอ่าวเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวท่านไม่ได้สรุปได้แต่สอดนิดๆหน่อยๆไม่ได้สรุป อ, อัาอาตมาก็ออีกนิดหนึ่งนะเพราะงั้นตอนนี้เนี่เราต้องการความสมาน ร, ร่วมกันสู้เพื่อที่จะมาเปิดเผย น, นะถลกเนื้อนในเหม้นออกม า, ากันให้ชัดเจนตอนนี้ก็มีอะไรปุดปวดปดออกมาดูพอสมควรนะเพราะงั้นอยากจะเอาแต่นิ่งนะพูดไปใช่จ่ายเบี้ยสองภัย หากนิ่งได้ตำลึงไทยไม่แล้วไม่แล้วอย่ามาหลอกไม่แล้วยิ่งนิ่งยิ่งไทยถลายถลําต่ำแน่เลยยิ่งนิ่งยิ่งไทยยิ่งตกต่ำไปแน่ไทยดับแน่ไปแล้วอยู่เท้าเผด็จการถ้าคือนิ่งก็กไปแล้วอยู่เท้าเผด็จการแน่นอนขักๆซักแงะ น, นี่คือคาอธิบายวันนี้ที่ขยายความจากคาว่ากายพระฉจานาั้นคำว่ากายคาเดียวเนี่ยมันมีความหมายที่ชัดเจนถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะใช้เป็นใช้ถูกแล้วก็จะประมาณเป็นประมาณถูกถ้าคุณไม่รู้จริงๆก็ขอสรุปลงไปหาประมาทว่าคุณเข้าใจความเป็นวิ ญ, ญญาณทีติเจ็ดเข้าใจความเป็นสัตววาด้าวคุณจะล้างความเป็นสัตว์ของตนเองออกไปหมดจนพ้นสังโยชน์ พ้นสังโยชนิสิทซึ่งหมดความเป็นสัตว์ที่ถูกผูกไว้ในมหาจักรวาลในวัฏสงสารนี้คุณไม่พ้นความเป็นสัตว์ไปได้คําสอนพระเจ้าไม่จะพูดเข้ามาเป็นลอยลมเป็นปฏิบัติไม่ได้ขอยื้องนว่าปฏิบัติได้ความเป็นสัตว์ต้องรู้แล้วต้องล้างความเป็นสัตว์จนกระทั่งถึงขั้นอรูปสูงสุดถึงขั้นในวัฏญยานาจิญยานยตนาสัตสัตตัวสุดท้ายได้ว่าในวัฏญานาสัญญายตนาสัตว์ จึงจะพ้นความเป็นสัตสมบูรณ์เป็นสัญญาเวทที่ยึนิโรธที่ไม่ใช่นิโรธของเดรัจฉีหรือนิโรธของที่ไม่ใช่พุทธเป็นประประวาทะไปแล้วไปการพูดเป็นอื่นไปจากคําสอนของมูจา้าออกนอกอนุสาสนีไปแล้วเอาละ่ะสำหรับวันนี้อาตมาเหลือเวลาให้ท่านห้านาทีหกนาทีเจ็ดนาทีแล้วแต่จะยืดย่นขอบคุณพระครูครับ วันนี้พ่อคูก็เริ่มต้นเป็นเรื่องว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตซึ่งจะแตกต่างจากไอสตาล์นะไอสตาล์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปากนี้ไอสตายป์ปากนี้เป็นโพลิสต์ปางนี้ออกมา ท, ท า, ง, น า, นทา ง, งานหน้าที่ทางด้านวัตถุแด<อ>้ทําไปทําไปก็เสียใจที่ไปนคนพบอีเธอเก็บเอซีกรังสองไคนพบนิวเคลียสนี่ออกมาให้คนเอาไปใช้ เขเอาวัตถุเนี่ยอาอนูุมาแตกเป็นปรมาณูคือเป็นสุดเล็กที่สุดนของทางด้านวัตถุยิ่งเล็กมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นพลังมหาศารลระเบิดนะเป็นพลังมหาศาลมากเท่านั้นแต่คนนี้พร่อ ค, ครูเคยบอกว่าิึงที่พ่อครูมาทำในชาตินี้หรือว่าพระเจ้าก็ดีอะเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมา ท, ทางจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากกว่าทางด้านวัตถุแต่ก็เอาพลังงานของคน พลังงานของคนเนี่ยที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเนี่ยเอามาแตกมันกันนะไม่ใช่เป็นบรลมาัูแต่สุญญานูสุญญานูจะแรกยิ่งกว่าบาลมณูอัตบาตั้งเองคําว่าสุญญานูเนี่ย <c oughs> คือที่มันยึดมากๆนานแล้วตั้งนานแล้วมันแค่จะพูดถึงทุกวันี้ที่ที่เรายึดมากๆนะแต่ก่อนเรายึดว่าเล่าเป็นเป็นตัวเราเป็นของเรายึดว่ า, า, ว า, า, วาบายมุกเป็นตัวเราของเราอนเนี้ยแต่ทุกวันเนี้ยพลังงานเหล่านี้เมื่อเรามาถึกษาธรรมะ จากพ่อครูที่เอามาจากพระเจ้ามาเนี่ยก็มาสลายความยึดถืออย่างมากของเราเนี่ยมันแตกเป็นศูน ญ, ญ์หนูไป เ, เราก็ได้พลังงานมหาศาลที่มาใช้เลี้ยงครอบครัวมาทํางานเป็นประโยชน์ให้กับสังคมเราก็ได้ได้ความสูญเสียคืนมาหนึ่งได้เวลาคืนมาสองได้แรงงานทางกายทางสมองคืนมาสามได้ทุนคืนมานี่เป็นความสิ้นสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เวลา คุณร้อนแรงงานแรงทางกายทางสมองสามอย่างนี้เป็นความสูญเสียที่มนุษย์ที่อวิชชาพล า, พลาดพลาดเปลงเปล่าเยอะทีนี้สิ่งที่พรอครูทำเนี่ยก็จะดูเข้าใจได้ยากเพราะว่าเป็นเรื่องอวิชสูตรทางจิตวิญญาณแต่ว่าทํำไปแล้วมันก็เห็นผลใช่ไหมจะได้ทาก็เห็นผลว่าพอเราเลิกความยึดถือทางด้านอนะบายยมุข ก, ก็ดีเนี่ยเราก็ได้พลังได้สิ่งหลายอย่างกลับคืนมา แต่ก่อนเราเห็นอ้วนเห็นควายเห็นอะไรก็อร่อยได้หมดเลยนะของอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าพอเราลดความยึดถือเลิกในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพลังงานของความเมตตาก็าเกิดขึ้นกับตัวเราความโกรธแค้นเหล่านี้มันก็หายไปสิ่งล่านี้ก็เป็นวิยทยาศาสตร์ทางจิตที่เราพิสูจน์ได้เราเห็นได้แล้วมันจะสอดคล้องกับพระตตรปิฎกที่เมื่อคนเหล่านี้เนี่ยทําได้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็จะเกิดรวมกันเป็นหมู่เป็นชุมชน เป็นชุมชนอย่างที่พ่อครูพูดถึงเรื่องโทมัสมอร์แล้วคนก็นจะมารวมกันะจะมีระบบสาธารณพอคีอันนี้เป็นเพียงแค่เขาจินตนาการยังไม่ได้มียังไม่ได้มีจริงเลยเนี่ยเขาคิดว่าจะมีสังคมอดมุดมคติคนมาทํางานร่วมกันไม่เห็นแก่เงินแก่ทองอันนี้เป็นความฝันในโลกนี้ที่ว่าโอ้โหโทมัสมอร์เนี่ยคิดเรื่องสุดยอดจินตนาการได้เพียงแค่เขาคิดอย่างเดียวเนี่ยยังถือว่าสุดยอดแล้วพูดกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ทีนี้พ่อครู เอาคําสอนพระเจ้ามาพิสูจน์แล้วก็มาพาพวกเราทําเนี่ยแล้วมาเกิดเป็นหมู่คณะเป็นชุมชนแล้วก็ไม่ได้ทําได้คนเดียวแล้วก็เป็นชุมชนที่ชุมชนนั้นชุมชนนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกันมาทํารวมกั น, นเป็นวิทยาทาั้งจิตที่ก็จะเข้าใจได้ยากเหมือนกันแต่มันพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับใช่จะมีสิ่งที่ปรากฏให้สัมผัสและต้องได้ซึ่ ง, ซ, ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งเรื่อ ง, งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจะฟังยาก วิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเข้าใจคําว่ากายคืออะไร <c oughs> เขาเพราะว่าทุกวันเนี่ยคนเอาไปใช้เนี่ยมันจะในทางผิดนะเอาไปใช้เนี่ยกายเนี่ยมันมีพลังงานมหาศาลมากเลยแต่เขาคิดว่าเขาจะทําให้กายนี้สุดยอดได้เขาต้องไปนั่งหลับตาก่อนในเบื้องต้น <c oughs> แล้วก็ไปนั่งหลับตาไปนั่งหลับไม่รับรู้อะไรซึ่งจะเป็นการสูญเสียของมนุษยชาติอย่างมากเลยคนเราเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนนรื่งเยอะแยะเนี่ยนะถุดท้ายก็ไปนั่งหลับตากันหมดเลย แล้วประโยชน์ที่จะเป็นบายโปรดักต์ขึ้นมาให้กับโลกกับสังคมเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเขาก็ตัดไม่ยุ่งเกี่ยวนะเนื้อหาที่พ่ะครูพยายามเน้นให้พวกเราเข้าใจคือว่ากายนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรอกกายนี้มันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับมนุษยชาติเป็นความพัฒน์กที่เกิดขึ้นกับตัวเรากับมนุษยชาติเนี่ยมันต้องเอามาต้องรู้ในทั้งในตัวเราเองเอโกนี่คือรู้ตัวอะไรง่ายชัดแล้วก็รู้ในความสัมพันธ์ที่เราต้องสัมพันธ์กับภายนอกด้วยนะเพื่อที่จะมาลดละ ภายในของเราอันนี้คือวิทยาคือภาษามันมันอาจจะยากที่เราต้องมาเรียนรู้เรื่องในภาษาวิมุกแปดก็ดีนะสัตววาเก้าก็ดีปัญญาชิติปัญญาชิติีเจ็ดก็ดีวนแล้วล้วแล้วเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยเราก็ต้องมาทําความกําหนดหมายสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะได้เห็นความสุดยอดของกายนี้ซึ่งพ่อครูก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนะทว่าถ้านักวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พ่อครู เ, เป็นตัวอย่างที่ว่าอายุขนาด เดินทางเข้าสู่80เนี่ยแต่ยังมีพลังที่เรียกว่านะพูดให้เรานั่งฟังอย่างเดียวเราเมื่อยก่อนนะ <c oughs> แต่ว่าพราะครูเนี่ยอธิบายวันหนึ่งหลายรอบเลยนะี่ทางด้านทีมดูแล้วกภาพก็โทรมาเช็คใหญ่เลยว่าวันนี้กี่ชั่วโมงจะไหวไหมเนี่ยจะเกินกำลังไปไหมนะแต่ก็นี้ก็ดูว่าพลังที่เมื่อไม่ไปสูญเสียไม่ไปสูญเสียกับกิเลส ท, ที่มันเป็นในส่วนต่างๆที่แตกแตก แต่ใหเป็นศูญญานูแล้วเนี่ยแตกด้ว ค, ความยึดถือในเรื่องใบายังพุกกดีในเรื่องโลกการกดีในเรื่องโล ก, กธรรมกะดีในเรื่องอัตราตัวตนอัตราสามกะดีนะถึงเหลนี้เมื่อพลังงานเหล่านี้ไม่สูญเสียแล้วเนี่ยเราจะได้มนุษย์ที่มีชีวิตชีวามนุษย์ที่มีพลังงานที่จะเป็นเหมือนดาวสันติภาพนะเป็นพลังงานสันติภาพเป็นดาวสันติภาพที่มาช่วยโลกทําให้มนุษสว่างสวัวันนี้พ่อครูก็แสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ ทางจิตเนี่ยจริงๆมันมีความลึกซึกมากกว่าอัสตายแล้วมีประโยชน์มากกว่าอัสตายอัสตายเขายังบอกเลยว่าถ้าเขารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะคือเขาค้นพบอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทําระเบิดปรารีสูแล้วก็ยอมรับจริงๆเลยว่าเปลี่ยนแปลงแล้วได้บดมนุษย์เนี่ยแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของมนุษย์ได้เลยซึ่งก็บอกว่าถ้าเขารู้อย่างนี้แต่แรกแล้วเนี่ยเขาไปเป็นช่างซ่อมนาฬิกายังดีกว่าะคือทําออกมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมนุษย์ชาติเลยอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ดีแล้วพ่อครูก็ดี เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันจะดีขึ้นได้จะเจริญขึ้นได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิญญาณทําจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้ดีงามขึ้นมาจัดการกับกิเลสต่างๆด้วยขั้นตอนทั้งหมดนี้นะเราก็จะพบความสันติภาพในตัวเราเองแล้วก็สามารถทําให้สังคมมนุษย์ประเทศชาติเป็นสันติภาพตามไปด้วยแต่วันนี้คงต้องกราบขอบพระคุณพระครูด้วยคำ ร, รบกวนอย่างสูงนะครับขอ นุโมนากับพวกเราทุกๆคนก็จะได้ทบ